วันนี้มีชาวลาดบุรีมาใช่ไหมมีคำถามอะไรไหมยังติดตามอยู่ดูถ่ายทอดสดอยู่อ่ะดูทุกวันอยู่อืะเป็นบางวันเนะี่ยชัดไหมถ่ายทอดสดภาพเสียงชัดดีนะ ก็ได้พวกญาติโยมที่มาทำหน้าที่ถ่ายทอดนี่เขาก็พยายามปรับปรุงแก้ไขไปเรื่อยๆแต่บางทีมันก็ชำรุดบางทีแบตก็หมดบางทีสายเชื่อมมันก็เสียเสียงมันบางทีก็เลยขาดขาดหายหายแต่พอแจ้งเข้ามาเขาก็รีบแก้ไขทันที ดูทั้งสองช่องว่าเปล่าเลยดูช่องเดียวเฟซบุ๊กน ะ, ะ <c oughs> คนที่มีเฟซเขาก็จะเข้าเฟซคนที่ไม่ได้ใช้เฟซเขาก็เข้า YouTube <c oughs> เพราะ y o u t u ู e ไม่ต้องเป็นไม่ต้องไม่ต้องเป็นสมาช็กเข้าดูได้เลย ทางเฟซนี้ต้องเป็นสมาชิกก็เป็นวิธีเผยแผ่ธรรมะอย่างนี้ซีดีเริ่มจะไม่ค่อยมีคนหยิบแล้วเพราะว่าไม่มีใครใช้เครื่องซีดีกัน้วดูก็ดูผ่านทางมือถือได้ดูหรือฟังทางยูทูบเฟ e บุ o k สะดวก เมื่อก่อนเขาจะชอบเอาซีดีไปฟังในรถแต่นี้ในรถก็เริ่มไม่มีเครื่องเล่นซีดีแล้วนี่จะเป็นใช้ทำไดรฟ์แทนนี่คือการพัฒนาการของสื่อเ ป, เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วสมัยเด็กๆนี่สื่อที่เราใช้ ในการเผยแผ่เสียงก็คือแผ่นเสียงแผ่นเสียงนี่ก็อยู่มาได้นานอยู่มาได้หลายสิบปีต่อมาก็เป็นม้วนเทปตอนต้นก็เป็นม้วนใหญ่ๆแล้วก็ย่อลงมาเป็นเป็นกล่องเล็กๆ เ, เป็นแคสเซ็ตแล้วต่อมาก็เปลี่ยนจากเทปมาเป็นแผ่นซีดี เพราะคุณภาพเสียงมันดีกว่าซีดีก็เพิ่มมาเป็นดีวีดีเป็นบลูเรย์อย่างนี้ก็หายไปเกือบประจหมดแล้วอย่างนี้ก็มาเป็นทัมไดรฟ์แทนหรือไม่งั้นก็ดาวน์โหลดในอินเทอร์เน็ตได้เลยไม่ต้องขอให้มีบือถือเครื่องเดียวเดี๋ยวนี้สามารถ <c oughs> เข้าถึง รูปภาพเสียงหรือวิดีโอได้อย่างง่ายดายก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆส่วนหนังสือนี่ก็ยังพอมีประโยชน์เพราะว่าบางคนเขาชอบอ่านหนังสือกันถ้าตัวมันใหญ่นะถ้าดูในมือถือนี่มันตัวเล็กเกินไปก็ หนังสือยังไม่หมดสภาพหนังสือยังใช้ได้อยู่นี่คือสื่อต่างๆที่เรามีไว้ใช้ในการสื่อสารธรรมะซึ่งเป็นคาสอนของพระพุทธเจ้าก็ได้รับการถ่ายทอดมาผ่านสื่อต่างๆ ในยุคพุทธกาลก็มีการถ่ายทอดผ่านการได้ยินได้ฟังแล้วก็เอาไปจดจำกันเช่นบทบทสวดมนต์ต่างๆที่เราสวดกันนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระสงองค์เจ้าในสมัยพุทธกาล ท่านได้ยินได้ฟังจากพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็จดจำกันไว้ท่องจำกันาการสวดคำสอนของพระพุทธเจ้าในสมัยก่อนมีสองประโยชน์ด้วยกันคือหนึ่งเป็นการสร้างสติ เ, เวลาเราสวดมนต์สวดคำสอนสวดพระสูตรเราก็หยุดคิดเรื่องราวต่างๆ เราก็มีกำลังสติที่จะห้ามจิตใจของเราไม่ให้ไปคิดด้วยเปื่อยเราสามารถบังคับจิตใจให้คิดไปในเรื่องที่เราต้องการให้มันคิดได้เช่นการคิดถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าธรรมาจาักรกับปวตนาโสตรนี่เป็นคำสอน พระสูตรอันแรกครั้งแรกที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมถ้านับเวลานี่ก็ 2,500 กว่าปีแล้วคำสอนนี้ยัง อ, อยู่มาได้ถึงปัจจุบันนี้ก็เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์เพราะสิ่งต่างๆนี้มันจะสูญหายกันไปตามระยะตามเวลา เช่นสิ่งปลูกสร้างต่างๆเนี่ยพีระมิดกำแพงเมืองจีนของที่เรามนุษย์สร้างขึ้นมาทางด้านวัตถุนี่มันจะเสื่อมไปตามเวลาของมันแต่คำสอนของพระพุทธเจ้านี่ยังไม่เสื่อมยังไม่หายไปยังมีผู้ที่มาจดจำกัน อยู่ยังมีการมาสวดกันอยู่ยังมีการมาสาธยายมาแสดงมาอธิบายความหมายของพระสูตรก็เลยยังอยู่กันมาได้จนถึงบัดนี้ส่วนใหญ่นี้ก็อาศัยการท่องจําของพระเพราะพระอาศัยการท่องจําเป็นวิธีฝึกสติ เป็นวิธีฝึกสมาธิและเป็นวิธีฝึกปัญญาเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นปัญญาเป็นความรู้ที่เราสามารถเอามาดับความทุกข์ภายในใจของเราได้ไม่มีความรู้อันใดในโลกนี้ที่จะสามารถดับความทุกข์ภายในใจของเราได้ มีแต่จะสร้างความทุกข์ให้มากยิ่งขึ้นไปใหญ่เพราะความรู้ของพวกเราเป็นความรู้ของกิเลสต้นเองกิเลสเป็นผู้สร้างความทุกข์ให้กับเราความรู้ทางโลกมันเป็นเครื่องมือของกิเลสยิ่งรู้มากก็ยิ่งโลภมากยิ่งได้มากยิ่งอยากได้มาก นี่นี่คือความรู้ทางโลกเห็นไหมจบด็อกเตอร์นี่ก็ต้องเงินเดือนต้องเท่านี้แล้วทางเงินเดือนสามร้อยบาทต่อวันก็ทําไม่ได้แล้วเพราะเดี๋ยวนี้มีความรู้ระดับด็อกเตอร์ต้องวันะสามหมื่นหรือสามแสนอันนี้แทนที่จะดับความทุกข์กับเพิ่มความทุกข์เพราะความอยากได้เงินทอง เวลาไม่ได้ก็ทุกเนี่ยเวลาได้มาก็ไม่พออยากจะให้เพิ่มอยู่เรื่อยๆเวลาไม่เพิ่มก็ทุกเนี่ยนี่คือความรู้ทางโลกเป็นอย่างนี้ยิ่งรู้มากยิ่งทุกข์มากเพราะยิ่งรู้มากยิ่งรู้วิธีหางเงินได้มากก็ต้องา เสี่ยงมากขึ้นเวลาหาเงินมากๆเวลาหาได้ก็ได้ทีมากๆเวลาไม่ได้ก็ไม่ได้ทีมากๆมันก็เลยทุกมากกว่าคนที่หาได้หาน้อยน้อยทุกน้อยน้อยอันนี้เปรียบเทียบเรื่องความรู้ทางโลกความรู้ทางโลกนี้ไม่เป็นปัญญาคือไม่เป็นเครื่องมือไม่เป็นความรู้ที่จะมาดับความทุกข์ใจได้ แต่กลับมาสร้างความทุกข์ใจให้มีมากขึ้นไปยิ่งเป็นใหญ่เป็นโตนี้ความเครียดยิ่งมากยิ่งร่ำยิ่งรวยความเครียดยิ่งมากเพราะจะทำอะไรมันต้องทำมากมากเห็นไหมตอนนี้เวลาประมูลโครงการใหญ่ๆทีนี่ต้องพวกระดับเงินมากๆ ไ, ไปประมูลกันโครงการลดไฟฟ้า ความเร็วสูงโครงการแสนล้านมืออะไรทำนองนี้พวกที่ไม่มีเงินเงินน้อยๆ น, ยนี่อย่าไปฝันต้องพวกคนที่มีเงินมากๆาพวกนี้ก็ต้องแข่งกันคนได้ก็ดีใจคนไม่ได้ก็เสียใจได้ไปแล้วก็ไม่รู้ว่าจะกำไรหรือขาดทุนอีกอทำไปถ้าทำพลาด ก็อาจจะขาดทุนได้มันมีแต่เรื่องที่จะทำให้มีแต่ความวุ่นวายใจถ้าลองไปยุ่งไปเกี่ยวข้องกับเงินทองนี่มันต้องมีความวุ่นวายใจตามมาไม่มากก็น้อยถ้าวุ่นถ้าเกี่ยวข้องมากก็วุ่นวายมากถ้าเกี่ยวข้องน้อยก็วุ่นวายน้อยถ้าไม่เกี่ยวข้องเลยก็ไม่วุ่นวายเลย ไม่เชื่อลองมาบวช ด, ดูเลยมาบวชเราไม่ต้องใช้เงินนี่ไม่วุ่นวายกับเรื่องหาเงินไม่ต้องวุ่นวายกับเรื่องเก็บเงินเก็บทองไม่ต้องวุ่นวายกับเรื่องใช้เงินใช้ทองความวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องเงินทองนี้หายไปถ้าต้องการความสุขจริงๆถ้าไม่ต้องการความทุกข์ต้องระงับความวุ่นวายใจ ความวุ่นวายใจนี้ทำให้ใจไม่มีความสุขทั้งๆ ท, ท, ที่มีเงินกองเท่าภูเขาก็ตามตอนต้องก็คิดว่ามีเงินมากๆจะมีความสุขมากแต่พอมีเข้าแล้วมันกลับไม่ได้เป็นอย่างที่คิดมันกลับมีความวุ่นวายใจมากขึ้นเพราะต้องคอยมาดูแลรักษาเงินทองที่มีอยู่ต้องให้มันงอกเงยงอกเงามไปเรื่อย ดอกเบี้ยลดปเซ็นสองเปอร์เซ็นนี่ก็นอนไม่หลับนะกินไม่ได้นอนไม่หลับหรือตลาดหุ้นมันตกนใจก็วูบลงไปกับการตกของตลาดหุ้นหมายถึงเงินในกระเป๋าน้อยลงแล้วเงินในตัวเลขมันเป็นตัวเลขเท่านั้นเองทรัพย์ของเราที่ผูกไว้กับหุ้นเนี่ยมันมากขึ้นก็เวลาราคาหุ้นมันแพงขึ้น เราก็รู้สึกว่าเรารวยขึ้นแต่ความจริงสมบัติมีเท่าเดิมเช่ น, ช น, ชนที่ดินอย่างนี้เรามีที่ดินสิบไร่ถ้าราคาที่ดินมันขึ้นเราก็รู้สึกว่าเรารวยขึ้นถ้ า, ร า, าราคาที่ดินมันตกเราก็รู้สึกว่าเราจนลงแตก็มีทรัพย์เท่าเดิมแลล่ะก็มีที่ดินอยู่สิบไร่เหมือนเดิมแต่ราคาของมันมันมันหลอกเรามันหลอกให้เราดีใจหลอกให้เราเสียใจ โอ้ยเราลวยขึ้นเนี่ยอย่างนี้ที่ดินของเราแพงขึ้นโอ้ยเราจนลงเนี่ยที่ดินราคามันตกเนี่ยคือเรื่องความวุ่นวายใจต่างๆที่เกิดจากการที่เรามีความรู้ที่จะไปหาเงินมากันพอได้เงินมาแล้วมันก็หวงมันก็ห่วงมันก็ยึดมันก็ติดมันก็อยาก อยากให้เพิ่มมากขึ้นอยากไม่ให้ลดน้อยลงเห็นไหมไม่มีใครอยากจะให้เงินน้อยลงไปมีแต่อยากให้มันเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆ<ม>คนงานทุกบริษัทนี้มีแต่เรียกค่าแรงเพิ่มขึ้นทุกปีเห็นไหมเดี๋ยวก็บัดทวงกันละขอเพิ่มค่าแรง<ม><ม>เพราะคนขายของมันต้องเพิ่มราคาของขายคนขายก็อยากจะกำไร ขายของก็ต้องเพิ่มราคาขึ้นไปเรื่อยๆพวกที่ขายมีนก็ฉลาดบางทีราคาเท่าเดิมแต่ลดของลงไปคนซื้อไม่รู้สึกตัวเอ๊ะทำไมขนาดมันเล็กลงสบู่เคยเป็นร้อยก ร, รมัมลดเหลือเก้าสิบก ร, รมัมแต่ราคาเท่าเดิมราคาไม่ลดลงพวกค้าเขามี เขามีวิธีที่จะเพิ่มราคาโดยที่คนซื้อไม่รู้ว่าถูกเพิ่มราคาเพราะเขาลดปริมาณของสินค้าลงแต่ราคาเท่าเดิมที่เขาต้องทาเพราะว่าค่าใช้จ่ายเขาเพิ่มมากขึ้นเขาต้องเพิ่มค่าแรงงานคนงานขอเพิ่มแรงงานก็ต้องเพิ่มให้เขาถ้าไม่เพิ่มเขาก็ลาออกถ้าพูดถึงเรื่องเงินทองเป็นเรื่องปวดหัว ม้ว่าใครก็ตามถ้าลองเข้ามาเกี่ยวข้องกับเงินทองแล้วต้องปวดหัวทั้งนั้นน่ะนี่คือเรื่องของความรู้ทางโลกเรามีความรู้ทางโลกไว้เพื่ออะไรก็ เ, เพื่อหาเงินหาทองกันเนี่ยเรียนกันสูงๆนี่เพื่ออะไรเพื่อที่เราจะได้มีความรู้ไปทํางานได้ค่าแรงได้ค่าจ้างที่สูงขึ้นเนเวลาไป สมการเขาก็ดูคุณอวุธของเรา<ะ>วุฒิของเราป็นอตีเขาก็ให้ระดับนี้ปอโทเขาก็ให้กระดับหนึ่ง<ะ>ปอเอกเขาก็เพิ่มให้กระดับหนึ่ง<ะ>อาชีพก็เหมือนกันฮะอาชีพหมอก็ได้เงินมากกว่าอาชีพอื่น<ะ>คนจึงอยากจะเรียนหมอกันนักเรียนทั้งหลายก็จบก็อยากจะเข้าเข้าเรียนแพทย์กัน ถ้าไม่ได้แพทย์ก็เข้าวิศวะกันเพราะความรู้เหล่านี้สามารถผลิตเงินทองได้ทำไมเราต้องมีเงินทองส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเราต้องใช้จ่ายในการเลี้ยงชีพก็จำเป็นที่จะต้องมีเงินทองแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเราก็อยากจะรับใช้ตอบสนองกิเลสตัณหาของเรา กิเลสตัณหาเราอยากได้สิ่งนูน้นสิ่งนี้อยากไปเที่ยวที่นั่นที่นี่อยากมีนั่นมีนี่มันก็ต้องมีเงินไอ้ตัวนี้แหละตัวร้ายกาศคือตัวกิเลสตัณหาไอ้ตัวร่างกายนี้มันไม่ร้ายกาศนะมั น, ม, นมันมีความต้องการเท่าเดิมร่างกายนี้มันต้องการปัจจัยสี่ต้องการอาหารเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัย พอมันมีครบแล้วมันก็พอแล้วไม่ต้องมีมากกว่า น, นั้นก็อยู่ได้แต่ตัวกิเลสเนี่ยมันจะมามาก่อกวนมาหลอกลวงว่า อ, อตอนนี้เงิน เ, นเดือนมากขึ้นแล้วต้องอยู่บ้านแพงขึ้นแล้วต้องซื้อเสื้อผ้าที่แพงขึ้นแล้วต้องใช้รถที่แพงขึ้นแล้วเนี่ยมันเป็นตัวกิเลส ถ้าเราอยากจะฝืนกิเลสเราต้องใช้เหตุผลอ่าวก็เมื่อก่อนก็ยังอยู่ได้ไม่ใช่เลยเงินเดือนเท่านี้เราก็กินอยู่ของเราได้ตอนนี้เงินเดือนเพิ่มมากขึ้นแล้วทำไมต้องเพิ่มมันไปด้วยทาไมเงินเดือนเงินหามายากเย็นจะตายไปเก็บเอาไว้สำรองไม่ดีกว่าเลยหรือเก็บเอาไปลงทุนไม่ดีกว่าเลยเก็บไปฝากธนาคารอย่างน้อยก็ยังได้ดอกเบีย้ย ถ้าใช้ตามความอยากเดี๋ยวเดียวก็หมดแล้วก็ไม่พอใช้คนส่วนใหญ่นี่ไม่ว่าจะมีเงินทองระดับไหนในมักจะไม่พอใช้เสมอตอนต้นก็ได้ระดับนี้พอได้ระดับนี้ก็ใช้ระดับนี้พอได้เพิ่มขึ้นอ่ะก็ใช้เพิ่มมากขึ้นอีกแต่ผลลัพธ์ก็เท่าเดิมคือการเลี้ยงดูร่างกายก็เลี้ยงดูได้เหมือนเดิม แต่ค่าเลี้ยงดูกับแพงขึ้นเพราะความอยากที่จะใช้ของที่มีคุณภาพมีราคาที่แพงขึ้น mm. ก็เลยทำให้ต้องใช้เงินมากขึ้นพอใช้เงินมากขึ้นมันก็ลดไม่ได้แต่เวลาขึ้นมันขึ้นได้เวลาลดมันลดไม่ได้เวลาลดแล้วมันทุกข์เคยใช้เดือนเท่านี้แล้วมาตัดเงินเดือนลงนี่มันทุกข์แล้ว ทั้งๆ ท, ที่กลับไปใช้ในระดับเดิมก็ไม่เดือดร้อนไม่เสียหายตรงไหนเคยกินข้าวมื้อละห้าสิบบาทก็กลับไปกินมื้อละห้าสิบบาทก็ได้แต่ถ้าเคยกินมื้อละร้อยแล้วไม่ยากที่อยากจะกลับไปกินมื้อละห้าสิบนี่คือกิเลสเนี่ยนี่เป็นเรื่องของกิเลสไม่ใช่เรื่องของธรรมะไม่ใช่เรื่องของเหตุผลถ้าเรื่องของเหตุผลแล้วมันขอให้มีกินให้มันดับความหิวได้ก็พอ จะเป็นอาหารชนิดไหนถูกปากถูกใจหรือไม่ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะผู้กินไม่ได้เป็นใจนะผู้กินไม่ได้เป็นกิเลสผู้ที่กินไปนร่างกายร่างกายก็ไม่รู้ว่าเขากินอะไรเขารู้ว่ามีอะไรเข้าไปให้มันหนักท้องเขาก็ไม่แสดงอาการหิวให้เรารู้เท่านั้นเองก็จบ แต่คนที่ไม่ได้กินอ่ะวุ่นวายคือใจกับกิเลสนะต้องเลือกอาหารชนิดนั้นต้องเลือกอาหารชนิดนี้ต้องถูกปากถูกใจถึงจะกินลงถึงจะมีความสุขอันนี้แหละเป็นตัวที่สร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจต่างต่อให้เราหาเงินได้ไม่ว่าในระดับไหนเราก็ต้องมาเจอไอ้ตัวนี้ที่จะมาสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้กับเราเสมอ เพราะความอยากมันจะมีมารูปรูปแปลกๆมีหลากหลายด้วยกันเคยกินอย่างไห น, นมันก็จะเปลี่ยนอยากจะกินของที่แปลกพิสดารขึ้นอาหารไทยกินบ่อยๆเบื่อพอมีอาหารฝรั่งมีอาหารญี่ปุ่นมีอาหารไนก้าอาลแล้วสิอยากจะกินแล้วนี่พอไปกินอาหารแปลกๆราคามันก็แพงขึ้นอีกต้องเสียเงินเพิ่มขึ้นอีก แต่กินแล้วมันก็อิ่มเหมือนกันะทําให้ท้องอิ่มเหมือนกันแต่กิเลสกับใจนี่ดีใจหน่อยได้กินอาหารถูกปากถูกใจะเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขที่หลอกเราเดี๋ยวเดียวกินเสร็จแล้วมันก็หายไปละความสุขกันนั้นปัญหามันมีว่ามันกินแล้วมันติดมันมันจะกินอาหารแบบธรรมดาธรรมดาไม่ได้มันจะต้องคอยหาอาหารแปลกๆมากินอยู่เรื่อย นี่คือปัญหาของการที่เราไม่มีปัญญาทางธรรมไม่มีความรู้ทางธรรมเราไปมีความรู้ทางโลกที่เป็นเครื่องมือของกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆที่คอยที่จะหลอกให้เราหาความสุขปลอมอยู่เรื่อยๆแล้วก็ทำให้เราติดเวลาที่เราไม่สามารถหาได้เราก็ทุกข์แล้ว บางทีเวล า, เ, าเศษรษฐกิจตกต่าหรือเงินทองรายได้ลดลงอันนี้เราจะทุกขขึ้นมาทันทีเพราะต้องมีการปรับตัวต้องมีการปรับการใช้เงินทองซึ่งกิเลสไม่ชอบลดมันชอบขึ้นเวลาต้องลดลงนี่มันจะมีแสดงอาการอึดอัดแสดงอาการไม่พอใจไม่สบายใจขึ้นมาแต่เวลาปรับขึ้นนี่มันไม่อึดอัด มันดีใจเวลาได้ปรับขึ้นเวลาได้เลื่อนเลื่อนระดับขึ้นไปนี่มันดีใจแต่พอมันถูกปรับลงนี้มันไม่ดีใจมันไม่สบายใจทั้งทั้งที่ก็อยู่ได้ทั้งสองระดับระดับสูงหรือระดับต่ํามันก็อยู่ได้เหมือนกันเพราะเมื่อก่อนก็เคยอยู่ระดับต่ํามาก่อนแต่พอไว้ขึ้นอยู่ระดับสูงแล้วมันลงไม่ได้เหมือนที่เขาพูดว่า ขี่เสือแล้วลงไม่ได้ลงแล้วกลัวเสือกัดเนี่ยถูกเสือกัดเวลาลงจากหลังเสือพอขึ้นขี่หลังเสือแล้วต้องพยายามเกาะให้มันติดอยู่ไม่ให้มันลงต้องให้มันขึ้นอย่างเดียวนี่คือความทุกข์ของพวกเราที่ไม่จำเป็นจะต้องทุกข์เลยกับเรื่องราวต่างๆนี้ทุกข์เพราะความไม่มีปัญญาทางธรรมเราทุกข์เพราะความหลงหลอกให้เรา หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายด้วยการใช้ของแพงๆมากขึ้นไปเรื่อยๆถ้าคิดว่าถ้าเสียเงินมากแล้วจะมีความสุขมากซื้อของอะไรแล้วถ้ามีราคาแพงๆ แ, แล้วรู้สึกจะมีความสุขมากถ้าได้เป็นของถูกๆนี่แล้วมันรู้สึกว่ามันไม่มีความสุขนาฬิกาเดือนละร้อยก็มีเลือนละแสนก็มี เวลาได้ใครให้นาฬิกาเรือนละร้อยมานี้จะไม่พอใจถ้าเขาให้นาฬิการเรือนละแสนมาโอ้ยดีใจขอบอกขอบใจใหญ่มันก็เป็นนาฬิกาเหมือนกันแหละมันทำอะไรได้นาฬิกานาฬิกามันก็บอกเวลาเท่านั้นเองซึ่งความจริงไม่มีนาฬิกาเราก็มีดวงอาทิตย์เนี่ยแหละเป็นนาฬิกาบอกเราดูเงาก็ได้ดูเงาของ แสงดวงอาทิตย์เนี่ยเราก็จะรู้ถ้ามันไม่มีเงาก็แสดงว่าเที่ยงวันนะใช่ไหมถ้ามันมีเงาสั้นก็รู้ว่ากี่โมงถ้าเราหัดใช้สมัยก่อนเขาไม่มีนาฬิกาเขาก็ใช้แสงอาทิตย์เนี่แหละเป็นตัววัดเวลานี่คือความหลงกรจายความไม่มีธรรมะไม่มีเหตุไม่มีผลหลงไปกับอสมมุตินิยมกัน ของเป็นสมมุติทั้งนั้นอ่ะของต่างๆมันเป็นวัตถุมันไม่มีคุณค่าราคาของมันเองเหรอกเพียงแต่มนุษย์เรามาสมมุติกันว่ามีราคาหลอกกันแล้วก็แย่งกันเห็นไหมเพชรมันก็เป็นก้อนหินเนี่ยไอ้ก้อนหินที่มีตามท้องถนนก็มัน ก, ก็ก้อนหินเหมือนกันแต่มันมีมากคนเลยไม่ไปมีอยากได้มันแต่เพชรนี่มันมีน้อยคนเลยอยากได้กัน มันก็เลยกลายเป็นของมีราคาขึ้นมาแพงกว่าไอ้ก้อนหินที่อยู่ตามข้างถนนเพราะอเพชรนี้ต้องไปขุดลึกบางทีต้องเจาะเข้าไปในดินกว่าจะหามาได้นี่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากมันก็เลยมีราคาขึ้นมาแต่มันเอาไปกินได้ บ, บ่ทั้งสองอย่างม่ากินไม่ได้ทั้งสองอย่างก้อนหินก็กิกนไม่ได้เพชรก็กินไม่ได้นี่คือ การไม่มีปัญญาความรู้ทางโลกไม่ไม่รู้ไม่คิดแบบแบบทางพระพุทธเจ้าคิดไม่ได้พระพุทธเจ้าคิดให้เห็นว่ามันเป็นเพียงวัตถุเท่านั้นเองมันไม่มีผลอะไรกับกจิตใจของเราเลยเพียงแต่เราไปหลงไปหลงกับสมมุตินิยมที่เขาสมมุติกันขึ้นมาเขานี่ของแพงนะ พอรู้สึกว่าของแพงนี่รู้สึกว่าถ้าได้มาแล้วจะมีความสุขมากขึ้นมาแม้แหวนเพชรเพชรเม็ดนิดเดียวถ้าจะมองไม่เห็นต้องอาจจะต้องเอากล้องขยายมาดูแต่ราคาเป็นแสนพอได้มาแล้วโอ้หดีใจใหญ่เร้ไปทำอะไรก็ไปใส่ที่นิ้วกินก็กินไม่ได้ นี่พูดถึงความรู้ทางโลกเป็นอย่างนี้ความรู้ทางโลกมันจะหลอกเราหลอกให้เราวุ่นวายหลอกให้เราดีใจเสียใจเวลาดีใจก็ดีใจเดียวเดียวแต่เวลาเสียใจนี้มันมักจะเสียใจนานกว่าดีใจ เวลาได้อะไมาดีใจแป๊บเดียวไม่กี่วันก็หายไปแล้แต่เวลาเสียไปนี่โอ้เสียใจไม่รู้กี่วันกี่เดือนยังเสียใจอยู่นั่นคิดถึงวันทีไรก็เสียใจทุกทีอยากจะได้คืนมาทุกทีนี่แหละเราไม่ดูกันเราไม่ดูใจของเราว่าใจเราสุขใจเราทุกอย่างไรกันเราเราไปหลงกับอความสุขที่มีแค่ชั่ว เดี๋ยวเดียวแล้วพอเราทุกข์เราก็หนีความทุกข์ด้วยการไปหาความสุขใหม่มาเพิ่มอยู่เรื่อยๆซึ่งหามาเท่าไหร่มันก็หนีไม่พ้นความทุกข์ความทุกข์มันก็ตามไปมาแล้วเดี๋ยวก็พอเสียไปก็เสียใจหรือได้มาแล้วความดีใจหมดไปก็อยากจะได้ใหม่ของที่มีอยู่แล้วไม่ให้ความรู้สึกเหมือนกับของที่ยังไม่ได้มา ของที่เราซื้อมาเก็บไว้ในบ้านนี้ไม่มีแรงดึงดูดแรงสร้างความสุขเหมือนกับของที่อยู่ในร้านพอของที่อยู่ในร้านนี่เห็นแล้วแม้อยากจะได้ได้มาแล้วคิดว่าโอ้มีความสุขก็เลยต้องคว้ากระเป๋าจ่ายเงินไปพอย้ายมาไว้ที่บ้านแล้วล้วทีนี้ไม่มีความหมายแล้วดูยังไงก็ไม่มีความอยากได้แล้วไม่มีความสุขเหมือนกับตอนที่ได้มา ตอนที่มันอยู่ในร้านนี่แหละคือความรู้สึกที่เราถูกหลอกให้ไปติดอยู่มันจึงทำให้เราต้องดินน้นรนหาเงินหาทองกันอยู่เรื่อยๆเพราะจะต้องซื้อของใหม่ๆซื้อมาเรื่อยๆซื้อความสุขใหม่ๆซื้อรูปเสียงกลิ่นรสใหม่ๆอยู่เรื่อยๆมันก็เลยกดดันให้เราต้องวุ่นวายกับการหาเงินหาทองกันหาเท่าไหร่ก็กลับมาอยู่ที่เดิม ก็คือไม่ไม่เคยเจอคําว่าพออะไรอย่ได้เท่าไหร่ก็ไม่เคยเจอคําว่าพออยากได้อีกเลยอยากได้เพิ่มขึ้นไปได้เลยๆเห็นไหมเคยได้ยินไมมปรทานภรรยาปรทธานาธิบดีฟิลิปปินส์มีรองเท้าต้องพันคะู่มีเท้าอยู่คู่เดียวอแต่รองเท้าด้ายสายนี้มีต้องพันคู่สายไปทั้งปีมันยังใสายไม่ครบเลยคู่ละคู่ระวันเนี่ย คู่ระวันก็สามร้อยหกสิบห้าคู่ในชะ่นี่พันคู่มันต้องใสไปสามปีเนี่ยถึงจะครบแล้วมันมีได้ยังไงก็เพราะคำว่ามันไม่พออยู่ในใจนี่นะพวกเราเนี่ยหาความสุขที่แบบไม่เคยทำให้เราอิ่มให้เราพอเราเลยต้องดิ้นกันอยู่เรื่อย ก็ได้มาปุ๊บมันหิวอีกแล้วพอได้คู่นี้มาแล้วเดี๋ยวไปเดินเห็นคู่ใหม่อยู่ในร้านก็หิวอยากได้ขึ้นมาอีกแล้วแล้วถ้ามีเงินซื้อก็จะซื้อขึ้นมาทันทีไม่เคยคิดยับยั้งเลยว่าจะไปเก็บไว้ที่ไหนบางทีที่เก็บก็ไม่มีเห็นบางคนบอกว่าต้องต้องทำห้องนอนเป็นห้องเก็บเสื้อผ้าก็มีในบ้านบางทีมีห้องนอนหลายห้องห้องนี้ไม่มีใครใช้อะ มาปรับปรุงเป็นห้องเก็บเสื้อผ้าไปเลยเนี่ยเพราะว่าตู้เก็บเสื้อผ้ามันเล็กเกินไปนี่แหละคือคือความรู้ที่เราไม่มีกันเราไม่มีเหตุเราไม่ได้ใช้เหตุผลกันเราไม่ได้ใช้เหตุผลกับสิ่งที่เราต้องการว่าเราเอามาทำไมเอามาทำประโยชน์อย่างไรมีเท่าไหร่ถึงจะพออันนี้เรา เรียกว่าไม่รู้จักประมาณถ้ารู้จักประมาณเราต้องรู้ว่าสิ่งต่างๆที่เราต้องการนี้มันมันเอามาเพื่ออะไรชเช่นเสื้อผ้านี่เราเอามาเพื่ออะไรเพื่อเอามานุ่งห่มร่างกาย<ม>ปกปิดร่างกายป้องกันร่างกายเท่านั้นเองจะเป็นแบบไหนจะเป็นผ้าราคาถูกราคาแพงมันก็ทำหน้าที่ได้เหมือนกัน S <S <an> เห็นไหมเสื้อผ้ามีหลายราคาถ้าซื้อตามตลาดตั้นก็ตัวละร้อยกว่าบาทถ้าไปซื้อในห้างก็ตัวละพันกว่าบาทมันก็เป็นเสื้อผ้าเหมือนกันใช้ประโยชน์ได้เหมือนกันอันนี้เราควรที่จะคิดที่ประโยชน์ของการที่เราซื้อสิ่งต่างๆมาให้เรารู้จักประมาณว่าแล้วเราต้องใช้กี่ตัวถึงจะพอของพระนี่พระเจ้าบอกให้ใช้แค่หนึ่งชุดก็พอ หนึ่งไต้ผ้าไต้หนึ่งชุดสมัยพุทธกาลนี่ท่านใช้หนึ่งไต้สามผืนผ้านุ่งหนึ่งผืนผ้าห่มหนึ่งผืนแล้วผ้าห่มกันหนาวอีกหนึ่งผืนเป็นสามผืนเรียกว่าผ้าไต้จีวรไต้แปลว่าสามจีวอแปลว่าผ้านุ่งผ้าห่มของผ้าแล้วผ้าสมัยนั้น พระก็ต้องไม่มีเงินซื้อเนี่ยก็จะจะเต้องไปหาผ้าที่เขาทิ้งตามป่าช้าเนี่ยผ้าห่อศพนี่สมัยก่อนเขาไม่ได้เผาศพเขาไม่ได้ฝังศพเขาขงคงขี้เกียจบางเผามันก็เสียต้องไปหาฟืนมาเผาฝังก็ต้องขุดดินก็เลยเอาผ้าห่มมาแล้วก็ไปทิ้งไว้ในป่าชา้าให้มันตจ้าเปื่อยไปหรือว่าให้ แรงกายมากัดมากินไปตามเพราะร่างกายมันตายไปแล้วมันไม่รู้เรื่องว่ามันเป็นเป็นร่างกายเป็นอะไรแต่ผ้าที่ห่อนี่มันยังใช้ได้อยู่มันอาจจะเปื้อนหน่อยเปื้อนน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองอะไรต่างๆผ้าไปเก็บผ้าเหล่านี้มาแล้วก็มาซักมาย้อมมาต้มก่อนต้มผ้าต้มด้วยรวมด้วยน้ำร้อนใอ้พวก อะไรต่างๆมันก็จะออกบ้างไม่ออกบ้างแต่ผ้าห่มของพระไม่ท่านไม่ได้ถืออะไรอาจจะถือว่าเป็นเป็นนวดลายที่สวยงามก็ได้ร อ, อยด่างรอยอะไรต่างๆแล้วท่านก็อาศัยเอาแก่นไม้น้ำแก่นไม้ซึมออกสีเหลืองๆมาย้อมทับอีกทีหนึ่งเรียกว่าผ้ า, าแก่นขนุน สมัยปัจจุบั น, นีนผ้าป่าเราจะเอาแก่นข น, นมาต้มแล้วก็มาย้อมผ้าผ้าจะเป็นผ้าสีขาวสมัยนี้เราไม่ต้องใช้ผ้าป่าแล้วเพราะว่าไม่มีแล้วหนึ่งเวลาคนตายเขาไม่ได้เอาไปห่อผ้าทิ้งไว้ในป่าเดี๋ยวนี้คนตายเราก็เอาไปเผาหรือท่านาศาสนาอื่นก็เอาไปฝัง แต่สมัยก่อนนั้นเขาคงจะเห็นว่ามันยุ่งยากเผาก็ต้องหาฟืนถ้าถ้าฝังก็ต้องขุดก็เลยเอาไปทิ้งไว้ดีกว่าง่ายดีไม่กินที่ถ้าขุดถ้าขุดมันก็เดี๋ยวไม่มีที่ฝังอกีกมันต้องขุดไปเรื่อยๆอันนี้ดีกว่าอันนี้ปล่อยให้มันสลายไปสู่ธรรมชาติกลับคืนสู่ธรรมชาติเดิม ร่างกายมันทำมาจากดินน้ำลมไฟถึงเวลามันก็จะกลับเกินสู่ดินน้ำลมไฟไปเวลาร่างกายตายไปสิ่งแรกที่ออกจากร่างกายก็คือลมลมไม่เข้ามีแต่ออกที่เป็นกลิ่นออกมานี่ก็เป็นลมลมออกมาจากร่างกายความร้อนในร่างกายก็ออกไปร่างกายคนเป็นกับร่างกายคนตายนี้จะมีความร้อนเย็นไม่เท่ากัน ร่างกายคนเย็นคนตายนี้จะเย็นกว่าร่างกายคนเป็นเพราะธาตุไฟนี้มันออกไปมันยากออกไปสองธาตุนี้ออกไปอย่างรวดเร็วไปก่อนเพื่อนเลยธาตุลมกับธาตุไฟพอธาตุไฟพอธาตุลมไม่เข้าปั๊บร่างกายก็หยุดทํางานทีนี้ธาตุลมที่มีอยู่ในร่างกายมันก็ค่อยๆระเหยออกมาธาตุไฟที่มีร่างกายมันก็จะหายไป แล้วเหลือแต่ธาตุน้ํากับธาตุดินธถ้าต่อมาธาตุน้ํามันก็จะไหลออกมาพวกน้ําเหลืองน้ําอะไรต่างๆธาตทิ้งต่อไปต่อไปมันก็แห้งกรอบก็เป็นธาตุดินไปส่วนที่เป็นแห้งกรอบต่อไปมันก็ผุเปื่อยกลายเป็นดินไปนี่คือร่างกายเป็นอย่างนี้ไม่มีตัวไม่มีตนทำมาจากดินน้ําลมไฟ เราไม่ได้เป็นร่างกายเราเพียงแต่มาใช้ร่างกายเป็นคนรับใช้เราเราเป็นนายร่างกายเป็นบ่าวเราคือผู้คิดผู้สัง่งผู้คิดผู้สั่งนี้คือใจที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายที่แยกทางกันในช่วงที่ร่างกายหมดลมหายใจแล้วก็คนที่อยู่เขาก็เอาร่างกายที่อยู่นี้ไปชำระไปกำจัด แล้วแต่สมัยนิยมสมัยก่อนก็เอาไปหอ่อห่อด้วยผ้าแล้วก็ไปทิ้งไว้ในป่าชาที่เราเรียกก็ผ้าบาังสุกุลสมัยนี้เราเลยนิยม เ, เวลามีงานศพเราก็มีการถวายผ้าเพราะเป็นธรรมเนียมที่เราเราคิดว่าเราทำตามสมัยพุทธกาลแต่ก็จริงมันเป็น มันทำไม่เหมือนกันอ่ะถ้าจะต้องเป็นเหมือนกันมันต้องเอาผ้านี้ไปห่อศพแล้วก็เอาไปทิ้งไว้ในป่าช้าไม่เอาไปเผาแล้วถ้าผ้าอยากจะพักชักผ้าบางสกุลก็ให้ไปชักที่ป่าช้านู่นเนยผ้าบางสกุลจริงๆสมัยก่อนก็เวลาพระต้องการจะทำผ้าจีวรเนี่ยจะต้องไปเก็บผ้าในป่าช้ามา มาซักมาย้อมมาตัดมาเย็บอีกทีหนึง่งนี่คือผ้าพระพุทธเจ้ากับไม่ลังเกียจผ้าเหล่านี้เพราะตามมองตามความเป็นจริงมันก็เพียงแต่สกรปรกด้วยเหงือ่อคลเหมือนเสื้อผ้าที่เราใส่ทุกวันนี้เราก็สกรปรกไม่ใช่เหอรอนางกายเรามันก็มีเหงื่อคลออกมาแล้วเราก็เอาไปซักเอาไปล้างเสร็จแล้วเราก็ามาใช้ใหม่ ผ้าที่หอ่อศพมันก็เหมือนกันเพลีย์มันเปื้อนมากกว่าท่านั้นเองนอกจากเหงื่อแล้วมันก็มีน้ําเลือดน้ําเหลืองน้ําหนองน้ําอะไรอออกมาท่านั้นเองแต่ในสายตาของคนที่มีปัญญาเขาไม่รังเกียจเขาก็ถือว่ามันก็เป็นเป็นสิ่งที่เราเอามาชําระได้เอามาทําความสะอาดได้พอเอามาซักแล้วไอ้คราบสกปรกเหล่านะั้นมันก็หายไปผ้าที่อยู่ก็เอามาทําประโยชน์ได้นะ สมัยก่อนพระไม่มีนักบวชไม่มีใครเขาถวายผ้าเขาถวายแต่อาหารบิณฑบาตอย่างเดียวเพราะเขาไม่รู้ว่าพวกนักบวชนี้เขาต้องการอะไรนักบวชเขาก็ไม่ต้องการยุ่งกับญาติเยอมากเขาก็เลยแค่มาขออาหารมาบิณฑบาตเท่านั้นเองส่วนเครื่องนุ่งห่มเขาบางที่บางพวกเขาก็ไม่ใช้เลยก็มีพวกชีเ ป, ปลยเขาก็ไม่ต้องใช้ผ้าก็มี อันนี้นักบวชในยุคสมัยพุทธเจ้านี้มีหลายลัทธิมีหลายความเชื่อด้วยกันก็เลยญาติโยมชาวบ้านเลยไม่รู้ว่าแต่ละลัทธิเนี่ยเขามีการประพฤติปฏิบัติมีความต้องการอะไรอย่างไรก็เลยปล่อยให้นักบวชเขาอยู่กันไปตามภาษาของเขาถ้าเขาอยากได้อะไรเขาก็บอกเองในยุคแรกๆพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้บอกญาติโยมว่าต้องการผ้า แต่ต่อมาพอมีคนมาบวชเป็นพระเยอะขึ้นผ้าในป่าชาไม่พอใช้แนละ้วเนี่ยผ้าบวชมากขึ้นนผ้าที่จะไปเก็บมาทําผ้าจีวรนี่มันไม่พอใช้ผ้ามีบางทีมีกระผือเดียวเวลาหุ้มนุ่งห่มแล้วก็เปียกปอนก็ต้องนุ่มผ้าเปียกต้องห่มผ้าเปียกเปียกมีผ้ากลุ่มหนึ่งไปกล่าวพระพุทธเจ้าระหว่างทางเจอฝนนะ ผ้าก็เปียกแต่ไม่มีผ้าเปลี่ยนก็ต้องใส่ผ้าเปียกเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยเห็นความเดือดร้อนของพระก็เลยต้องบอกญาติโยมให้ถวายผ้าท่านเรียกว่าผ้านั้นว่าผ้ากระถินนเรียกว่าผ้ากถิ่นที่มาที่ไปก็เพราะว่าผ้าบางสกุลไม่พอใช้ผ้าห่อศพไม่พอใช้หมดป่าช้าแล้วไปป่าช้านี่ไม่มีผ้าเหลืออยู่เลยมีแต่ศพ พาเาผ้าชักผ้าไปหมดฮะแต่ยังไม่พอใช้เพราะมีคนศรัทธาปรบวตรกันเยอะพระพุทธเจ้าเลยต้องขอขอโยมหรือบอกโยมว่าอตอนนี้ผ้าเดือดร้อนนะเรื่องผ้าไม่พอใช้ถ้าอยากจะได้บุญมากมาทําบุญด้วยการถวายผ้ากรถินเถิดเนี่ยมีประโยชน์มากไม่ใช่มีบุญมากคือคนรับนี้ได้รับประโยชน์เพราะว่าขาดแคลน เดือดร้อนผ้าไม่พอใช้ถ้าอยากจะสงเคราะห์อยากจะให้ประโยชน์มากอั น, นิี้สงมากคือประโยชน์มากนี่ก็ให้ผ้าดีกว่าเพราะอาหารที่ใส่บาดมากก็เหลือเฟือพอกินอยู่พอกินแต่สิ่งที่ขาดแคลนก็คือผ้าก็เลยมีการถวายผ้าตั้งแต่นั้นมามแต่พระพุทธเจ้าก็ให้อนุญาตให้ถวายเพียง ปีละหนึ่งครั้งภายในระยะเวลาหนึ่งเดือนคือตั้งแต่วันเพ่นเดือนตั้งแต่วันแรมหนึ่งค่ำเดือนสิบเอ็ดถึงวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบสองวันลอยกระทงตั้งแต่วันออกพรรษาจนถึงวันลอยกระทงระยะเวลาหนึ่งเดือนเป็นระยะเวลาที่พระพุทธเจ้าอนุญาตให้ญาติโยมถวายผ้ากรถินได้เพราะพระพุทธเจ้าไม่อยากให้พระต้องมา ร อ, รอรับผ้ากระถินทั้งปีให้รับเพราะว่าต้องการเพียงผืนสองผืนไว้นุ่งห่มทนั้นเองพอได้ครบหนึ่งไตก็พอแล้วพระจะได้ไปทำภารกิจของตนคือจะได้ไปศึกษาธรรมะไปปฏิบัติธรรมะกันถ้ามัวแต่มารอรับผ้าเดี๋ยวก็ไม่มีเวลาไปปฏิบัติธรรมกันก็เลยอนุญาตให้ มีช่วงเวลาหนึ่งเดือนให้เอาเวลานี้มาหาผ้ากันใครขาดผ้าก็มารับผ้ากรถินกันถ้ามีญาติโยมถวายนี่คือเรื่องของการใช้ของใช้ด้วยธรรมะจะใช้ด้วยเหตุผลใช้ด้วยความรู้จักประมาณประมาณคือประโยชน์ของสิ่งที่เราต้องการใช้และปริมาณที่เราต้องมีต้องใช้ว่าต้องมีเท่าไหร่ ถ้าได้ได้ครบตามความต้องการแล้วมากกว่านั้นก็ไม่มีประโยชน์อะไรมีคุณค่าราคามากกว่านั้นก็ไม่มีประโยชน์อะไรไม่ได้ไม่ได้ประโยชน์เพิ่มเติมแต่อย่างใด <Yeah. S 1> ใส่เสื้อผ้าตัวละร้อยกว่ากับใส่เสื้อผ้าตัวละพันกว่าหรือหมื่นกว่ามันก็เป็นเสื้อผ้าเหมือนกันทำหน้าที่ได้เหมือนกัน แล้วทำไมเราต้องไปเสียเงินทองมากๆทำไมถ้าเรามีเงินทองก็ไม่เป็นไรนะถ้าเราสามารถจ่ายได้ก็จ่ายไปแต่ถ้าเราไม่มีแต่เราอยากจะใช้ของแพงๆเราต้องไปดิ้นรนหาเงินหาทอง <c oughs> ก็อาจจะทำให้เราต้องวุ่นวายกับการหาเงินหาทอง น่าดีไม่ดีอาจจะต้องเสี่ยงก่อการไปกระทำบาปเพราะบางทีหาเงินทองโดยวิธีไม่ทำบาปแล้วมันไม่พอใช้ก็เลยต้องทำบาปกันต้องโกงกันต้องขโมยกันต้องหลอกลวงกันอันนี้มันจะเป็นตัวกดดันให้จิตของเรานี้ต้องไปทำบาปที่จะเป็นโทษกับจิตใจของเราแทนที่จะไปทำ ไปไปได้ความสุขกลับไปได้ความทุกข์ความสุขที่ได้จากการขโมยเงินนี้มันน้อยกว่าความทุกข์ที่ได้จากการที่จะต้องไปใช้กรรมใช้บาปกรรมที่เราทําไว้จากเนื่องจากการขโมยเงินขโมยทองมาอันนี้เราไม่รู้กันความสุขที่ได้นี้นิดเดียวเดียด i, ดเด๋ยวเดียวดีใจเดี๋ยวเดียวได้ใส่ได้ใช้เงินซื้อของที่เราอยากจะซื้อ แต่อาจจะต้องไปติดคุกหลายเดือนหลายปีก็ได้เวลาถูกจับถ้าไม่ถูกจับมันยังมีคุกคุกในโลกทิพย์ต่อไปเวลาตายไปนี่ไม่ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ทันทนะีต้องไปใช้กรรมในอบายก่อนอต้องไปเกิดในอบายสี่สถานด้วยกันไม่เป็นเดราชานก็เป็นเปรตไม่เป็นเปรตก็เป็นอนุสวรกายไม่เป็นอนุสวรกายก็ ไปอยู่ในนรกก่อนไปใช้กรรมก่อนใช้บาปก่อนพอกรรมที่ใช้หมดแล้วถึงจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์แต่พวกที่ไม่ได้ทำบาปเลยเวลาตายไปก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้เลยไม่ต้องไปอบายกันเนี่ต่างกันตรงนี้แต่เรื่องเหล่านี้เรามองไม่เห็นกันเราเลยไม่กลัวบาปกันเราคิดว่าไม่มีหรกตายไปแล้วใครจะไปรับผลบาปตายไปก็เห็น่าไปที่วัดกันทุกคน ไปแล้วก็เผากลายเป็นขี้เท่าไปแล้วใครเป็นคนไปรับผลบาปกันแล้วไอว้ไนรกสวรรค์นี่มันอยู่ตรงไหนคนในโลกนี้ก็หาไม่เจอส่งจรวดขึ้นไปบนท้องฟ้าก็หาสวรรค์ไม่มีเจาะลงไปในดินเอาเรือดำน้ำําลงไปใต้น้ําก็ไม่เจอนรกกันเลยไม่รู้ว่าสวรรค์มีหรือเปล่านรกมีหรือเปล่านี่หนะเพราะเขาไม่รู้ว่า คาว่าสวรรค์นรกนี่คืออะไรก็คือนรกในอกสวรรค์ในใจนี่แหละนี่แหละคือสวรรค์คือความรู้สึกเนี่ยความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์นี่แหละเรียกว่าเป็นสวรรค์เป็นนรกเวลาใจเราทุกข์เนี่ยเท่ากับว่าใจเราได้ไปนรกไปอบายแล้วเวลาใจเราสุขเนี่ยเท่ากับว่าเราได้ไปสวรรค์แล้วถ้าอยากจะดูตัวอย่างของสวรรค์ก็ดูตอนที่เรานอนหลับเนี่ย เวลานอนหลับเราจะฝันดีฝันร้ายเนี่ยเวลาฝันดีเราจะมีความสุขนอันนั้นหละเป็นสวรรค์ตัวอย่างของสวรรค์ก็คือเวลาเราฝันดีเพราะเวลานอนหลับนี่ก็เหมือนเวลาเราตายนี่เองตอนนี้เรานอนหลับเราไม่ได้ใช้ร่างกายนะร่างกายนอนอยู่เฉยแต่ใจเราไม่ได้อยู่เฉยใจเราไปหาความสุขตอ่อไปหาความสุขด้วยการฝันนี่เอง หือถ้าไปทำบาปแทนที่จะได้ฝันดีกลับไปฝันลายฝัน <c> ล <oughs> ายก็เป็นผลที่เกิดจากการทำบาปฝันดีก็เกิดจากการที่เราทำบุญเราเรียกฝันดีว่าสวรรค์เราเรียกว่าฝันลายว่าอบายฝันลายเพราะความหิวก็เป็นเปรตฝันลายเพราะความกลัวก็เป็นอสุรกาย ฝันหลายเพราะความอาคาตพยาบาทโกอดเกลียดเคียดแค้นก็เรียกว่านรกเนี่ยนี่คือสาภาพของใจของพวกเราที่ไปรับผลบุญผลบาปที่เรามองไม่เห็นกันเพราะใจไม่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนร่างกายนี้เองใจเหมือนกับกระแสวิทยุโทรศัพท์เนี่ยเรามองไม่เห็นใช่ไหมกระแสวิทยุโทรศัพท์นี่แต่เราปฏิเสธได้ไหมว่าไม่มเีเวลาเราติดต่ อ, อกับคน ผ่านมือถือนี่เราใช้อะไรเป็นเป็นสื่อติดต่อกันเราก็ใช้กระแสนี่แหละพูดเข้าไปในเครื่องแล้วก็มันก็แปลงคําพูดของเราไปเป็นสัญญาณวิทยุแล้วมันก็ส่งออกไปจากเครื่องแล้วมันก็ไปเข้าเครื่องรับเครื่องรับมันก็แปลงสัญญาณวิทยุมาเป็นเป็นเสียงเราถึงได้ยินเสียงของเราเสียงของคนที่ส่งมาพูดมาใจเราก็เหมือนกัน ใจเราก็เป็นเหมือนสัญญาณวิทยุที่เรามองไม่เห็นแต่เราปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่มีเพราะว่าเรากําลังพูดอยู่เนี้ใครเป็นกําลังพูดอยู่ยใครเป็นคนกําลังฟังอยู่นี่ไม่ใช่ร่างกายนะร่างกายเป็นเพียงแต่เป็นตัวรับเสียงเข้าไปที่หูท่นเองแล้วใจนี่แหละเป็นตัวที่มารับเสียงต่อจากหูอีกทีหนึง่งถึงได้ยินเสียงถึง ตัวรู้คือใจถึงนั่รู้ว่ามีเสียงเข้ามาทางหูแล้วก็มามาแปลความหมายของเสียงนั้นถ้าเคยถ้าเคยเรียนภาษานี้มาพอได้ยินภาษานี้ก็จะเข้าใจเช่นถ้าเราถูกสอนให้พูดภาษาไทยรู้ภาษาไทยพอใครพูดภาษาไทยเข้ามาเราก็จะรู้แต่ถ้าเขาพูดภาษาจีนหรือภาษาฝรั่งเราก็จะไม่รู้เพราะว่าเราไม่ได้เรียนภาษา อันนี้ก็เหมือนกันใจนี่แหละเป็นผู้ที่มารับเสียงจากร่างกายแล้วก็มาแปลเสียงนั้นว่ามีความหมายว่าอย่างไรแล้วก็มามีความรู้สึกกับเสียงนั้นถ้าเป็นเสียงชมก็ดีใจมีความสุขถ้าเป็นเสียงด่าก็โกรธเสียใจมีความทุกข์พอโกรธหรือดีใจก็จะมีความคิดขึ้นมาแล้วจะทำไงดีจะ ถ้าเขาด่าเราเราก็ต้องด่ากลับนะเห็นหก็สั่งไปที่ร่างกายอีกทีร่างกายเป็นเพียงแต่ผู้รับสั่งทั้นเองรับเสียงรับสั่งพอใจสั่งว่าด่ามันหน่อยสิมันก็พูดออกมาทางปากอย่างนู้นอย่างนี้ถ้าเวลาเข้าชมแล้วดีใจก็ขอบอกขอบใจสาธุสาธุ ใจนี่แหละเป็นคนสั่งร่างกายไม่รู้เรื่องอะไรร่างกายเป็นเหมือนมือถือเนี่ยแล้วแต่เราจะสั่งให้มันส่งเสียงอะไรไปมันก็ส่งไปสังส่งให้มันส่งภาพมันก็ส่งภาพไปแล้วไอ้เครื่องรับเป็เครื่องมันก็รับภาพรับเสียงที่ที่เราส่งไปนี่คือร่างกายของเรา มันไม่มีตัวตนมันไม่มีตัวรู้มันไม่มีความรู้สึกนึกคิดนะตัวที่มีความรู้สึกนึกคิดนี้คือใจผู้สั่งให้ร่างกายพูดร่างกายทำถ้าสั่งให้ทำบุญทำความดีใจก็มีความสุขถ้าสั่งให้ทำบาปใจก็มีความทุก ข, ข์เนี่ยความสุขความทุกข์ที่มันที่เกิดจากการทำบุญทำบาปเนี่ยมันสะสมไว้ในใจของเราแล้วมันจะโผล่มาตอนที่เรานอนหลับหรือตอนที่เราตาย ตอนที่เรานอนหลับมันก็จะโผล่ขึ้นมาให้เราฝันดีหรือฝันลายเวลาที่เราตายเราก็จะฝันดีฝันลายต่างกันตรงที่มันจะฝันยาวกว่ากันตอนที่เรามีร่างกายอยู่เราฝันเดี๋ยวเดียวนอนหลับไม่กี่ชั่วโมงก็ตื่นนะแต่ถ้าเวลาตายนี้กว่าจะตื่นมันต้องรอได้รับร่างกายอันใหม่มันก็จะฝันยาวถ้าฝันลายก็จะฝันยาวไปเลยเป็นสิบสิบปีเป็นร้อยปีเนี่ย ถ้าฝันดีก็จะฝันยาวไปจะยาวหรือสั้นก็อยู่ที่ว่าทำบุญมากหรือทำทำบุญทำบาปมากหรือน้อยถ้าทำมากมันก็จะฝันยาวถ้าทำน้อยมันก็จะฝันสั้นกลับมาเกิดเร็วนี่ก็เป็นตัวกาหนดการที่เราจะต้องไปรับผลบุญผลบาปต่อไปนี่คือสิ่งที่เรามองไม่เห็นกัน คือเรามองไม่เห็นใจเหมือนกับเรามองไม่เห็นกระแสวิทยุโทรศัพท์นี่แหละแต่อย่างน้อยเรารู้ว่าเราปฏิเสธไม่ได้กับกระแสวิทยุโทรศัพท์เพราะว่ามันมีมันมีมันมีผลมันแสดงมันนาแสดงให้เราเห็นด้วยเหตุผลว่าเวลาเราพูดอะไรแล้วเราส่งจากเครื่องนี้ไปไปเครื่องหนึ่งอีกเครื่องหนึ่งมันรับได้เพราะฉะนั้นไอตัวที่ไป ส่งไอตัวคาพูดของเรานี่มันมันต้องมีอะไรมารับเสียงของเราจากเครื่องนี้ไปอีกเครื่องหนึ่งไอตัวที่มารับเสียงนีเ่เราก็เรียกว่าสัญญาณวิทยุอันนี้ก็เหมือนกันใครเป็นผู้สั่งให้ร่างกายพูดให้ร่างกายทำอะไรจังๆก็ใจนี่แหละใจเป็นผู้สั่งใจนี้ไม่ได้เป็นร่างกาย ปัญหาคือคนจะเข้าใจผิดคิดว่าใจนี้เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายมากับร่างกายอันนี้ต้องต้องเห็นจากการปฏิบัติสมาธิถึงจะรู้ว่าใจกับร่างกายนี้เป็นคนละส่วนกันถ้าฝึกนั่งสมาธิแล้วเราจะสามารถถอดใจออกจากร่างกายได้ชั่วข่าวดึงใจแยกออกจากร่างกายได้ชั่วข่าว เราเราถึงจะเห็นว่าอ๋อใจกับร่างกายนี้เป็นคนละคนกันถ้าไม่ฝึกนั่งสมาธิจะไม่เห็นก็จะคิดว่ามันมาพร้อมกันมันมาด้วยกันมันอยู่ในสมองความคิดของเราอยู่ในสมองเราเป็นสมองเราอยู่ในสมองแต่ความจริงมันไม่ใช่เราเป็นใจผู้รู้ผู้คิดที่มาเกาะติดกับร่างกายแล้วก็ใช้ร่างกายให ให้คิดให้พูดให้ให้ทำอะไรต่างๆให้พูดให้ทำผู้คิดก็คือใจผู้คิดเป็นผู้สั่งคิดแล้วก็สั่งให้ร่างกายพูดพูดดีพูดไม่ดีทำดีทำไม่ดีแล้วพอพูดดีก็เกิดความสุขใจขึ้นมาพอทำไม่ดีพูดไม่ดีก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแล้วความสุขใจทุกข์ใจนี้มันก็จะสะสมไว้ในใจ จะแสดงผลต่อไปเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปหรือเวลาที่ร่างกายาพักผ่อนหลับนอนไม่ได้ทำงานไม่ได้เคลื่อนไหวตอนนั้นใจก็จะอาศัยความคิดความคิดที่ดีหรือไม่ดีการกระทำที่ดีไม่ดีเป็นตัวที่จะมาผลิต เ, เหตุการณ์ต่างๆให้ใจได้เสพได้สัมผัสได้รับรู้ นี่แหละคือผู้ที่ไปรับผลบุญผลบาปผู้ที่ทำบุญทำบาปไม่ใช่ร่างกายร่างกายเป็นเพียงเครื่องมือเหมือนคนขับรถกับรถยนต์นี่เวลาคนขับรถชนคนตายนี่เขาจับรถยนต์ไปขังในคุกเขาเปล่าก็ไม่จับหรอกเพราะรถยนต์มันเป็นเพียงเครื่องมือเขาจับคนขับหรือคนที่เอาปืนไปยิงคนตายนี่เขาจะเอาปืนไปขังในคุกในตารางเขเปล่า ปืนมันเป็นเพียงเครื่องมือร่างกายก็เหมือนกันร่างกายเป็นเพียงเครื่องมือผู้กระทำบุญกระทำบาปคือใจเห็นเวลาที่ร่างกายตายไปเขาจึงไม่เอาร่างกายไปรับโทษแต่เขาเอาใจใครเอาเอาใจนี่ไปรับโทษรับรับผลบุญผ ล, ผ ล, ผลบาปก็คือกฎแห่งกรรมนี่แหละเป็นผู้ที่มาจัดการ กฎแห่งกรรมถึงเวลาตายเนี้าายกฎแห่งกรรมจะเป็นผู้มาจัดการกับใจผู้ที่ทําบุญหรือทําบาปถ้าทําบุญกฎแห่งกรรมก็จะให้ความสุขเป็นรางวันถ้าทําบาปกฎแห่งกรรมก็จะให้ความทุกข์เป็นรางวันก็จะให้ไปอยู่เป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความทุกข์เนี่ยเป็นเปรตเป็นนสุรกายเป็นนรกถ้าบุญก็เป็นเทวดาระดับต่างๆ บุญมากบุญน้อยก็อยู่ที่ทําบุญสุขมากสุขน้อยก็อยู่ที่ทําบุญมากทําบุญน้อยเป็นเทวดาก็มีหลายระดับระดับต่ําระดับสูงระดับต่ําก็มีความสุขน้อยกว่าระดับสูงนี่คือเรื่องของใจเรื่องของพวกเราเนี่ยเราเป็นจิตใจที่มาเกาะติดกับร่างกาย แล้วเราก็ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือทำอะไรต่างๆตามที่เราต้องการในขณะที่เราทำเราก็อาจจะทำบุญบ้างอาจจะทำบาบ้างแล้วแต่โอกาสแล้วแต่เหตุการณ์ถ้าเราหาเงินมาได้มากเราก็มีโอกาสไปทำบุญเราก็ไปทำบุญถ้าเราหาเงินมาไม่พอใช้เราต้องการให้พอเราก็ไปขโมยเราก็ไปทำบาปเนีย่ยนี่คือทำไมเราจะต้องมาทาบาปทาบุญกันแล้ว ต้องไปรับผลบุญผลบาปกันแล้วก็ต้องกลับมาเกิดใหม่อยู่เรื่อยๆก็เพราะว่าเรายังอยากจะมีร่างกายเรายังอยากหาความสุขผ่านทางร่างกายอยู่เรายังอยากดูอยากฟังอยากลิ้มรส ด, ดมกลิ่นอยากสัมผัสอะไรผ่านทางร่างกายเวลาเราไม่มีร่างกายเราก็เลยไปรอรับร่างกายอันใหม่พอได้ร่างกายอันใหม่เราก็มาใช้ร่างกายทาอะไรตามความอยากของเรา ถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเกิดมาตายมาทำบุญทำบาปล้วไปรับผลบุญผลบาปพระพุทธเจ้าก็บอกว่าให้มาหยุดความอยากกันหยุดความอยากที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขอย่าดูหนังฟังเพลงอย่ากินอย่าดื่มตามความอยากอย่าไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วต่อไปเราก็จะไม่ต้องใช้ร่างกาย พอร่างกายนี้ตายไปเราก็จะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดไม่ต้องมามีร่างกายอีกต่อไปอันนี้คือเรื่องของจิตใจของพวกเราที่เราจะได้รับประโยชน์ถ้าเราได้มาพบกับธรรมะคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นปัญญาความรู้ที่จะพาให้จิตใจของเรานี้ออกจากวงจรของความทุกข์ทุกวันนี้เราอยู่วงจรของความทุกข์กัน หนีความทุกข์กันทุกวันหนีเท่าไหร่ก็หนีไม่พ้นหนีความทุกข์ด้วยการไปเที่ยวเดี๋ยวกลับมาก็เจอ <sk r ug> กลับมาบ้านเดี๋ย <sk r ug> วก็เจอมันอยู่ดีไปทาอะไรกลับมาเดี๋ย <sk r ug> วก็ต้องมาเจอความทุกข์อยู่ดีถ้าไม่อยากจะเจอความทุกข์ทางเดียวเท่านั้นก็คืออย่ามาเกิดถ้าไม่เกิดแล้วก็จะไม่ต้องมาเจอความทุกข์ต่างๆแบบที่เรากำลังเจอกันอยู่ขณะ น, นี้ถ้าไม่อยากจะเกิดก็ต้องหยุดความอยาก ต้องการหยุดความอยากก็ต้องใช้การทำบุญทำทานการรักษาศีลการภาวนาเป็นเครื่องมือนี่คือวิธีหยุดความอยากหยุดด้วยการทำทานหยุดด้วยการรักษาศีลหยุดด้วยการภาวนาศีลก็มีศีลหศีล8ปศีล10ศีล2องภาวนาก็มีสองสมถะ ภ, ภาวนาคือสมาธิทาใจให้สงบวิปัสสนาคือสอนให้ใจฉลาด ให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นต้นเหตุของความทุกข์อะไรเป็นต้นเหตุของการมาเวียนว่ายตายเกิดอะไรเป็นเหตุที่จะกาจัดการเวียนว่ายตายเกิดอันนี้ต้องศึกษาต้องปฏิบัติไปถ้าศึกษาและปฏิบัติทานศีลภาวนาได้ต่อไปก็จะหยุดความอยากต่างๆได้พอไม่มีความอยากแล้วก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตาย ไม่ต้องมาทำบุญทำบาปไม่ต้องไปรับผลบุญผลบาปไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปอ น, นี่แหละคือปัญญาความรู้ที่มีคุณประโยชน์อย่างแท้จริงกับจิตใจของเราความรู้ทางโลกนี้มันจะเป็นความรู้ที่จะหลอกให้เรามาติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดเพราะมันจะตลอกให้เราอยากได้สิ่งนู้นสิ่งนี้มากขึ้นไปเรื่อย ยิ่งรู้มากยิ่งอยากได้มากเพราะมีความสามารถที่จะหาได้มากขึ้นมันก็จะติดมันก็อยากจะได้อยากจะกลับมาหาอยู่เรื่อยๆมันก็จะกลับมาทุกข์เพราะโลกนี้เมื่อเกิดแล้วก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายเพราะฉะนั้นอย่าไปหลงกับความรู้ทางโลกให้มาหาความรู้ทางธรรมกันมาศึกษาธรรมมาฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วมาปฏิบัติธรรมแล้วรับรองได้ว่า เราจะสามารถกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีในใจให้หมดสิ้นไปได้เราจะมีแต่ความสุขอยู่ในใจเพียงอย่างเดียวไปตลอดนี่คือใจของพระพุทธเจ้าและใจของพระอาหารหัตสาวกหลังจากที่ท่านได้ปฏิบัติทานศีลภาวนาแล้วใจของท่านก็กำจัดความทุกข์ต่างๆไปจนหมดสิ้นเหลือแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวที่เรียกว่าบร ม, มสุข ใจของพวกเราถ้าปฏิบัติตามก็จะได้เป็นเหมือนกันอย่างแน่นอนจึงขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขและความสิ้นทุกข์ที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวะเิวาหาปุราปิริปุเรนติสาคหลังเอวเมวะอิโตทินนางเปตานังอุปกัรปติอิชิตตังปฏิตังตุมหังกิปะเมวะสมิจฉาตุสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนาราโสยถามณนีโชติระโสยถาสัพพิติโยมิวะจันโตสัพพารโคลมิณัสตูมาเตภวะตวันตรารโยสุขีทีขายุโกภวะ อภิวาทานสีิตสะนิจังวุธาปจายนโนจตารโธรรมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลางังวันนี้เข้ามาเท่าไหร่ ค่ะวันนี้จาก f a c e b o o สามร้อยแปดสิบ8ูทู e สอง้อยยี่สิบแปดวิทยุออนไลน์ยี่สิบเก้าผู้รับฟังบนเขา4สี่สิบแปดรวมห8 5้อยแปดสิบห้าค่ะช่วงนี้สูงนะหก้อยเกือบเจ็ดรอยธรรมดาก็หกร้อยเ็ดเศษตอนนี้มีชาวต่างประเทศอยากจะถามปัญหาออมีใครอยากจะถามอีกไหม นียพวกเราคนไทยอยู่ใกล้าศาสนาพุทธไม่เคยคิดจะบวชกันเลยเนี่ยเขาอยู่ไกลจากเราแค่ไหนก็ยังมาที่นี่เขายังอยากจะมาบวชเนี่ยพวกเราเป็นพวกเหมือนไก่ได้พลอยเจอพลอยก็เขียเข่ยทิ้งเขี่ยทิ้งจะหาแต่ตัวหนอนตัวไส้เดือนหาแต่ลาบยศสรรเสริญพอธรรมะปรากหาวขึ้นมาเลยไว้ฟังธรรมเนี่ยหาวขึ้นมาเลย นี่เข า, ศ, าเศึกษาค้นคว้าปฏิบัติบ้านเขาไม่มีที่ปฏิบัติเขาก็เลยต้องมาบ้านเราพวกเราโชคดีมากที่ได้อยู่ใกล้าศาสนาแต่โชคร้ายที่ไม่สนใจมีคำถามต่อบไปไหมเชิญคำถามจากคุณสิริมีอาชีพเกี่ยวกับร่างมนุษย์จึงใช้กระดูก เป็นอารมณ์คือดูกระดูกไปเฉยๆไม่คิดอะไรให้เห็นแต่ภาพของกระดูกการคิดไปทางวิปัสสนายังคิดไปเองไม่ค่อยได้จึงได้เอาเสียงของพระอาจารย์ที่สอนว่าร่างกายมาจากไหนเปิดฟังแล้วก็คิดตามไปจึงจะคิดตามไปได้คิดไปเองนี้ไม่ไปจะทำอย่างไรจึงจะก้าวหน้าคะก็ฟังไปก่อนฟังไปแล้วก็ลองมาบาังคับให้คิดตอนต้นก็ลองคิด อาการสาสิบสองดูก็ได้ท่องชื่อของอาการสามสิบสองไปก่อนร่างกายนี้มีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อมีเอ็นท่องไปและขั้นต่อไปก็นึกถึงภาพของแต่ละอาการผมอยู่ตรงไหนมีลักษณะอย่างไรขนมีลักษณะอย่างไรเนื้ออยู่ตรงไหนเอ็นอยู่ตรงไหนหนังอยู่ตรงไหนนึกภาพไปแต่ละอาการก็ กระดูกอยู่ตรงไหนบ้างหัวใจปอดมีรูปร่างลักษณะอย่างไงตับเอวไตถ้ามองไม่เห็นภาพก็ไปเปิดหนังสือดูไปค้นหาในอินเทอร์เน็ตได้เขียนก็ไปอ่านนาตมมี่มันก็โผล่ขึ้นมาแล้วอยากจะดูอวัยวะส่วนไหนก็สามารถดูแล้วก็พยายามนึกถึงภาพนั้นไว้จดจำไว้เหมือนกับเราดูภาพของคนอย่างเงี้ยดูหน้าตาคนแล้วก็พยายามจาหน้าตาเขาไว้ ต่อไปเราหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นโดยที่ไม่ต้องไปเปิดดูภาพเขาแล้วเพราะมันอยู่ในใจของเรานี่คือการฝึกดูพิจารณาร่างกายว่าประกอบด้วยอาการสามสิบสอง แล้วก็ดูตอนที่มันจเจริญเติบโตออกจากท้องแม่มามันโตด้วยอะไรก็โตด้วยอาหารด้วยน้ำด้วยลมที่เราหายใจเข้าไปแล้วต่อไปมันก็จะแก่จะเจ็บจะตายก็คิดไปอย่างนี้ไปตามขั้นตอนของมันเวลาตายไปเท่าไปเผาก็เหลือแต่ขี้เท่ากลายเป็นดินไปนี่คือร่างกายมาจากดินน้ำลมไฟไม่มีตัวไม่มีตน ผู้ที่มาสั่งให้ร่างกายทำอะไรนี้ไม่ได้เป็นร่างกายเป็นใจที่มาเกาะเป็นดวงวิญญาณที่ต้องการมีร่างกายเพื่อจะได้ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขคำถามจะคุณจิตเทพกราบนมัส ก, การถามหลวงพ่อครับเราจะยกจิต ให้เหนืออุปสรรคจะทำอย่างไรดีครับมีแนวทางที่จะแนะนำไหมครับเราใช้สติยกจิตขึ้นมาถ้ามีสติแล้วสตินี้สามารถทำให้ใจนี้อยู่เหนือสิ่งต่างๆได้ปล่อยวางสิ่งต่างๆได้เวลาโกรธใครก็พุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวเดียวก็หายโกรธเวลาอยากได้อะไรก็พุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวก็หายอยาก เวลาเสียใจก็พุโทโธพุธโทโธไปเดี๋ยวก็หายความเสียใจก็หายไปยันใช้สติยกจิตให้อยู่เหนือกับสิ่งต่างๆที่เราต้องมาสัมผัสรับรูบ้เวลาเราเสียใจก็พุโทโธไปเวลาดีใจก็พุโทโธไปพอดีใจก็ไม่ดีเพราะดีใจเดี๋ยวเวลามันหมดมันก็ทําให้เราเสียใจทุกอย่างมันต้องหมดนั้นเราอย่าไปยุ่งกับมันดีกว่า อยู่กับพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธอยู่กับจะเฉยเฉยให้รับรู้เฉยเฉยไปใครด่าก็รับรู้ก็รู้ว่าเขาดา่าใครชมก็รู้ว่าเขาชมไม่ต้องไปดีใจไปเสียใจกับคําด่าคําชมจะเฉยได้ก็ต้องมีพุโทโธพุธโทโธมีสติคอยหยุดความยินดียินไลที่มีอยู่ในใจของเราหยุดความรักความชังถ้ามีสติแล้ควคํามรักความชังมันจะหยุดได้ คำถามจากคุณการเช้าวันนี้ผมไปตลาดนัดแถวบ้านก็ไปเจอน้องคนหนึ่งที่รู้จักกันนั่งขายของอยู่ผมก็เดินเข้าไปจับแขนเขาเพื่อทักทายแต่เขาก็ไม่ได้หันมามองผมอีกประมาณสองสามชั่วโมงผมจึงเดินไปพูดคุยกับเขาเกี่ยวกับการค้าขายในวันนี้เขากลับทักถามผมว่ามาเมื่อไหร่เนี่ยออผมตอบว่ามานานแล้วเขากลับบอกว่าเขามองไม่เห็นผมเลย และแนะนำผมว่าช่วงนี้ต้องเข้าวัดบ่อยๆต้องทำบุญเขาเคยบอกผมว่าถ้าเขาทักใครมองไม่เห็นใครแล้วจะตายจริงๆไม่รอดนำมัส ก, การถามครับข้อหนึ่งจะทำอย่างไรไม่ให้เก็บเอาคำพูดคำทักซึ่งเหมือนคำแช่งมาคิดไปจนไม่เป็นสุขก็อย่าไปคิดถึงมันเวลาคิดก็ใช้พุทโธหยุดมันใช้สติหยุดมัน สองใช้ปัญญาว่าก็มันก็เป็นคำพูดไงจริงไม่จริ ง, ไ ม, รงไม่มีใครรู้ให้ใช้หลักกลธลรมสูตรพระพุทธเจ้าบอกใครพูดอะไรก็ให้ฟังหูว่ายหูไม่ต้องไปเชื่อไม่ต้องไปปฏิเสธรอเวลาพิสูจน์ถ้าเราอยากจะแก้ปัญหาก็ใช้ปัญญามันจะพูดไม่พูดกูก็ต้องตายอยู่แน่นอนงนะูต้องมาพูดบ้าๆบ ก, กูเสียเวลาหรอกกูรู้อยู่ต้องนานแล้วกูรู้ตั้งแต่วันเกิดแล้ว กลัวเกิดมาแล้วกลัต้องตายเนี่ยมันแค่นี้ก็จบแล้วถ้ามีปัญญาไม่ไปกลัวคําพูดของใครนู้นเนี่ยใครมาทํทาลายทยทักไงก็รู้หมดแล้วมันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วมีใครไม่เป็นบ้างมีใครไม่ตายบ้างมีใครไม่ล่มจมบ้างมันล่มจมด้วยกันทุกคนเน่ยมหาเศรษฐีมหากษัตริย์มหาจัากรพรรดิ ก, รรก็ต้องล่มจมเวลาตายมันก็จบกันทุกคนเน่ยใช่ไหมถ้าไปกลัวอะไร เขามันจะต้องเกิดขึ้นกับทุกคนอยู่แล้วเขามาบอกความจริงมาเตือนสติเราต้องสาธุเออดีสาธุมาช่วยมาเตือนผมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันเนี่แต่รอมันเมื่อไหร่มันจะมาทันทีเบื่อแล้วเกินนอนมันนานแล้วเกินอยากจะให้มันมาเร็วๆจะได้หมดเวรหมดกรรมกันเลยคิดอย่างนี้แล้วมันจะไม่กลัวกับอะไรทั้งนั้นใครจะมาทํานายทายทักอะไรพูดไปเถอดมึงน่จริงมึงทํานายทายทักตัวมึงเองเถิด หมอดูชอบดูคนอื่นไม่ชอบดูของตัวเองค่ะคำถามข้อสองนะคะคำพูดแบบนี้เราถือว่าเป็นบทพิสูจน์จิตเราได้ไหมว่าสามารถวางเฉยได้หรือไม่นั่นแหละนั่นบทพิสูจน์ได้เ mm hmm. กาเรียกสอบกรรมฐานเนี่ยไปปฏิบัติธรรมเนี่ยที่เขาสอบกรรมฐานก็เขาจะแย่เอาเรื่องที่จะทำให้จิตใจเราหวั่นไหวขึ้นมาหรือว่าเราจะหวั่นไหวหรือเปล่า คำถามจากคุณเซส์ความรู้ทางโลกก็น้อยความรู้ทางธรรมก็ยังหยาบอยู่อยากได้ของละเอียดขึ้นต้องฝึกดูเรื่อยๆใช่ไหมคะเพื่อให้เห็นความเป็นกลางต้องมีความเพียรอย่างมากใช่ไหมคะไม่รู้ก็ต้องฟังก่อนต้องเรียนก่อน ฟังธรรมะอยู่เรื่อยๆศึกษาธรรมะให้มากๆอย่าไปอ่านหนังสือพิมพ์อย่าไปอ่านข่าวในอินเทอร์เน็ตมีแต่ข่าวไร้สาระข่าวบ้าข่าวบอด่าคนนั้นว่าคนนี้อไปอ่านธรรมะดีกว่าออ่านพระสูตรต่างๆของพระพุทธเจ้าอ่านมงคลละสูตรเนี่ยมงคลสามสิบแปดข้อเนี่ยเป็นเพชรสามสิบแปดเม็ดเนี่ยใครได้มงคลสามสิบแปดเม็ดในหัวได้มงคลนั้นสูงสุดของชีวิตเนี่ย ว่าชีวิตเราจะดําเนินได้ไงดีเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนในมงคลสาสิบแปดข้อแรกอย่าคบคนโง่ให้คบคนฉลาดคนโง่ก็พวกที่มันโพสข้อความในอินเทอร์เน็ตเนี่ยพวกโง่ทั้งนั้นน่ยพวกดา่าคนนี้ว่าคนนี้เนี่ยพวกโง่ทั้งนั้นให้คบคนฉลาดบัณฑิตบัณฑิตก็คือธรรมะคำสอนในพระไตรปิฎกไปเซิร์ชเอามงคลสามสิบแปดธรรมจากกบวัฒนาสูตรอ่านไปเซิด เราจะฉลาดจะได้ความรู้ทางธรรมคำถามจากคุณมนคนใหม่กราบนมัสการพระอาจารย์ขอความเมตตาถามครับปัจจุบันแม่อายุ82ป่วยเป็นโรคเมเร็งลำไส้กระดูกเสื่อมและเพิ่งเสียคู่ชีวิตที่อยู่มาด้วยกัน50ปี <c oughs> แต่แม่มีอาการซึมเศร้าเสียใจปล่อยวางยากกำลังเจ็บปวดกับความรู้สึกกระดูกเสื่อม แต่ลงเข้าใจว่าโดนกระทําจากสิ่งที่มองไม่เห็นอยากให้พาไปหาพระที่ดูหรือคนทรงเจ้าลูกไม่ตามใจพาไปจะบาปไหมครับควรวางท่านควรวางใจอย่างไรขอความเมตตาด้วยครับถ้าอยากจะให้เขาสบายใจอะไรทําให้เขาสบายใจแล้วมัน ไ, ไ, ไม่บาปมันก็ทําให้เขาเถิดเขาอยากให้พาไปหาทรงเจ้าก็ไปดูดูซิว่ากลับมาแล้วจะดีขึ้นไหม ถ้าไม่พาไปก็บนอยู่เรื่อยว่าเราอยู่เรื่อยบางทีบางอย่างถ้ามันไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมก็พาเข้าไปตามใจเขาอแล้วพอเขาคิดว่าเป็นที่พึ่งของเขา mm hmm. ก็ปล่อยเขาไปบางทีพวกทรงเจ้าเขาฉลาดพูดหลอกให้เขาดีใจก็ได้โอไม่ตายหลอกอยู่ไปอีกร้อยปีแค่นี้ก็กลับมามีความสุขแล้วเนี่ย ทำไปเถเขาอยากจะอยากจะได้อะไรถ้ามันไม่เสียหายไม่ทำให้ใครเสียหายเดือดร้อนไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมเ็าตามใจเขาไปคำถามจากคุณดารารัฐกราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะก่อนฉันจังหันเช้าพระสงฆ์ท่านบิณฑบาตมาจะมีการนำมา จัดใส่ภาชนะและมีอาหารจากชาวบ้านนํามาเพิ่มเติมในระหว่างการจัดมีอาหารที่ไม่สวยงามในที่นี้เป็นองุ่นผลแตกมีการเก็บออกทิ้งจะบาปมากไหมเจ้าคะไม่บาปของเสียไม่ต้องทิ้งไปเอาไปเอาไปกินไม่ได้เป็นการเป็นการจัดการกับของของดีก็เก็บไว้ของเสียก็ต้องจัดการทิ้งไปนั้นไม่เกี่ยวกับการทําบาปทําอะไรทนะั้งนั้น คำถามจากคุณพัฒพัฒน์เวลาไปหาครูบาอาจารย์แล้วครูบาอาจารย์รู้ว่าลูกศิษย์นึกคิดอะไรในใจก็แปลว่าครูบาอาจารย์มีเครื่องรับสัญญาณใจของลูกศิษย์ถูกต้องหรือไม่ก็เป็นได้สองอย่างอาจจะจะเอกันพอดีอาจารย์ก็พูดออกมาก็เป็นเรื่องที่ลูกคิดคิดอยู่พอดีทั้งทั้งที่อาจารย์บางทีก็ไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่ก็ได้ แต่บางทีอาจารย์บางองค์ท่านก็สามารถรู้ว่ากำลังคิดอะไรได้ก็มีฉะั้นมันมีได้ทั้งสองอย่างไม่ใช่จะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งเสมอไปจากคุณแบมลูกกราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อสุชาติครับรายงานตัวครับตอนนี้ลูกพยายามไปถือศีล8เดือนละครั้งที่วัดหลวงพ่อดิก์ที่เล็กซิงตันเวอร์จิเนียแล้วถือศีลแปดอาทิตย์ละครั้งที่บ้านครับมีคาถามครับ เมื่อต้นปีผมท้าชนกับกิเลสในสมาธิหลังจากนั้นอีกสองสามวันต่อมาผมฟุ้งซ่านและมีแวบหนึ่งอยากกระโดดจากตึกทั้งที่เตรียมมาดีว่าถ้าฟุ้งซ่านจะรับมือโดยการสวดมนต์แต่ถึงเวลาแล้วสอบตกครับหลังจากนั้นผมกลัวและไม่กล้าสู้กับกิเลสเท่าที่ผมเข้าใจกิเลสคือความอยากที่ติดมาเป็นนิสัยตั้งแต่ชาติต่าง แต่พอเจอกับตัวแล้วรู้สึกว่าเหมือนไม่ใช่ตัวเราแต่มันแฝงในตัวเราขอหลวงขอหลวงพ่ออธิบายกิเลตกับมารแบบเหนือเหตุเหนือผลกราบขอบพระคุณหลวงพ่อครับกิเลสมันไม่มีเหตุไม่มีผลหรอกมันอยากแล้วมันก็อยากอ ย, ากอย่างเดียวเท่านั้นเองถ้าไม่ได้มันก็จะดิ้นตายนี่อยู่ที่เราว่าเราทนสู้กับมันไหวหรือเปล่า ถ้ารู้ว่ามันอยากจะดิ้นก็ปล่อยมันดิ้นไปยอมทนกับความทรมานไปเดี๋ยวมันก็หมดแรงเองนี่ก็วิธีหนึ่งที่จะสู้กิเลสถ้าเราไม่รู้จะสู้กับมันอย่างไรก็ใช้ความอดทนเนี่ยสู้กับมันมึงอยากแต่กูไม่ทําตามความอยากมึงอยากจะสูบบุหรี่กูก็ไม่สูบอยเงี้ยเดี๋ยวมันก็ดิ้นไปจนกระทั่งมันหมดแรงมันก็หายอยากเองอันนี้เป็นวิธีถ้าเราเปจิตใจที่แข็ง ถ้าจิตใจเราไม่แข็งพอเวลามันอยากอะไรเราก็พุโทโธพุโทโธช่วยไว้คิดถึงแต่พุโทโธพุโทโธหรือสวดมนต์ไปแล้วมันก็จะบรรเทาความอาการทรมานที่เกิดจากความอยากได้แล้วต่อไปความอยากมันก็จะค่อยหยุดไปเองมันก็มีสองวิธีเลิกวิธีที่สามก็ใช้ปัญญาว่าการทําตามความอยากมันจะต้องอยากไปเรื่อยๆและสิ่งที่เราได้มาก็ให้ความสุขกับเราเดี๋ยวเดียว เดี๋ยวมันหายไปจากเราไปก็ทำให้เราเสียใจสู้อย่าไปมีมันดีกว่าอันนี้ก็เป็นปัญญาใช้สามขัน้นขันติก็ชนสู้กับมันไปมึงอยากแต่กูไม่ทำตามความอยากถ้าสู้ไม่ไหวก็ใช้พุทโธช่วยใช้สติช่วย ถ้าใช้ปัญญาเป็นก็พิจารณาทำไปแล้วก็ท่า น, นั้นดีใจเดียวๆแล้วเดี๋ยวก็อยากใหม่สูบบุหรี่มวนนี้ก็สบายใจไปพักหนึ่งเดี๋ยวก็อยากจะสูบบวนใหม่มันก็ต้องสูบไปเรื่อยๆจนวันตายถ้าเราไม่หยุดวันวันนี้ก็มันก็จะไม่มีวันหยุดนีงั้นถ้าอยากจะหยุดก็ต้องสู้กับมันไปจากคุณพง์ศลีกายหยาบก็คือกายกายละเอียดก็คือกายกายหยาบตายได้กายละเอียดตายได้หรือเปล่าครับ ก็กายละเอียดคือใจไม่ตายมันไม่มีรูปร่างหน้าตาไม่มีขนาดไม่มีส่วนประกอบเหมือนกับร่างกายร่างกายมันประกอบจากดินน้ำลมไฟที่มารวมกันชั่วคราวพอมันแยกออกจากกันมันก็ตายแต่ใจไม่มีส่วนประกอบใจเป็นผู้รู้ผู้คิดมันก็เลยไม่มีวันตายคําถามจากคุณอ้อยฟ้าใสสิ่งของที่ชาวบ้านนำมาทําบุญที่วัดทุกๆอย่าง แล้วเสร็จจากพระรับและให้พรแล้วพอเยอะจนวัดไม่สามารถนําไปใช้หมดถ้าชาวบ้านบูชามาใช้ในราคาต่ํากว่าทุนจะเป็นอะไรไหมคะความจริงมันเป็นเรื่องของทางวัดจะจัดการวัดบางวัดท่านไม่ได้หาเงินท่านก็จแจกไปมีของเหลือมาไม่ไม่ต้องการสะสมไม่เก็บไว้ก็เอาไปทําบุญทําทานไม่ขายเพราะว่า ของที่มาก็มาจากการทำบุญทาทานแต่ถ้าเป็นพระเป็นวัดที่งกก็แทนที่จะทำบุญทำทานก็เอาไปขายกันก็อ้างว่าจะเอาเงินมาทำนูน่นทานี่ไป อ, อย่างนี้มันก็ทำให้คนที่มีศรัทธาก็อาจจะไม่ศรัทธาเพราะเห็นว่าพระเป็นคนสอนให้ญาติโยมไม่งกแล้วพระเองมางกเอง อ, อย่างนี้ก็ต้องคิดดูทางวัดนี่ควรจะคิดให้ดัง ควรจะยอมเสียเงินดีกว่าอย่าไปเสียเสียความความความดีพระนี่ต้องเสียสละเป็นต้องแจกเป็นต้องให้เป็นมีอะไรก็ต้องให้ไม่เอาไปขายต้องสงเคราะห์โลกหลวงตานี่เห็นไหมมีคนถวายเงินทองเมื่อทางวัด มีเกินที่จะต้องใช้ท่านก็เอาไปสงข้อโลกไปช่วยโรงพยาบาลไปช่วยโรงเรียนไปช่วยอะไรต่างๆที่ต้องการความช่วยเหลือไม่ใช่เอาไปขายแล้วเอาเงินไปทำอะไรอ่ะใช่ไหมงั้นก็วัดไม่ต้องมีเงินก็อยู่ได้เพราะความจริงวัดไม่ต้องมีวัดก็อยู่ได้วัดจริงๆสมัยพระพุทธเจ้าไม่มีกุฏิไม่มีโบสถ์ไม่มีศาลา วัดของพรธเจ้าก็คือป่าเขานี่ยเพราะฉะนั้นศาสนาวัดจริงๆนี้ไม่ต้องมีไม่ต้องมีเงินมีทองแต่สมัยนี้เรามันเอามาทําวัดเป็นเหมือนบ้านของชาวบ้านมันก็เรามีค่าใช้ใจ่ายมีค่าน้ําค่าไฟค่าดูแลรัลกษาอะไรต่างๆก็เลยต้องงกหาเงินกันกลายเป็นเลยเป็นวัด เป็นวัดที่งกกันเนีวัดไหนก็มีแต่เรื่องเงินเรื่องทองแล้วก็มีเรื่องความเสียหายหตามมาต่อไปพะที่ไหนมีเงินมีทองเดี๋ยวคอร์รัปชันการโกงกินมันก็ตามมาอีกแล้วมันก็จะทำให้คนเสื่อมศรัทธาไปในที่สุดแต่วัดที่ไม่มีอะไรนี่กับคนเข้ากันเยอะแยะวัดป่งวัดป่าวัดเขานี่ไม่ค่อยมีอะไรแต่คนเข้ากันเยอะเพราะเเห็นว่าไม่ได้งกเงินไม่ได้อะไร คำถามจากคุณสถาพรกรามนรรมสการครับจะมีวิธีแยกธาตุขันออกจากจิตอย่างไรไม่ให้ยึดติดกันครับก็ต้องสองวิธีวิธีแรกก็คือใช้สตินั่งสมาธิให้จิตสงบจิตสงบจิตก็จะแยกออกจากร่างกายชั่วคราวพอแยกแล้วก็จะเห็นว่าอ๋อจิตกับร่างกายนี้เป็นคนสวนกัน พอเวลาออกจากสมาธิมันก็จะมารวมกันพอมารวมกันก็ต้องคอยใช้ปัญญาคอยเตือนใจว่าร่างกายไม่ใช่จิตนะจิตไม่ใช่ร่างกายร mm hmm. ่างกายเป็นอะไรจิตไม่ได้เป็นไปด้วยเฉนั้นจิตไม่ต้องไปตกใจจิตไม่ต้องไปหวาดกลัวหวาดเสียวร่างกายมันจะตายก็ปล่อยมันตายไป mm hmm. อันนี้คือการแยกขั้นที่สองแยกด้วยปัญญาแล้วใจจะไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายไปกับร่างกายอีกต่อไปหมดแล้วเหร มีอีกอค่ะเยหมดแล้วคำถามจากคุณฟูมีสองคำถามนะคะถ้ามีคนได้ปฏิบัติธรรมนานทั้งทำทานถือศีลภาวนาแต่บางครั้งต้องการอยากบ้างเช่นไปเที่ยวไปมีข้อการเมสุมิชฉาบ้างคำถามข้อหนึ่งจะเกิดผลไม่ดีต่อผู้ปฏิบัติอย่างไรบ้างก็ทำผิดมันก็ผิดนะสิเหมือนกับ ท ำ, ทำข้อสอบนี้เขาให้ห้าข้อแต่ทำได้สี่ข้อเหมือนก็ไม่ได้เต็มร้อยท่นก็ได้แปดสิบถ้าอยากจะได้เต็มร้อยก็ต้องทำให้มันครบทั้งห้าข้อท่นก็แสดงว่ายังมีโอกาสไปได้อาบายอยู่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ยังปิดอาบายไม่ได้เต็มร้อยยังมีช่องที่จะดูดเราเข้าไปอาบายได้คือช่องกาเม่นี่กาเม่ก็ต้องไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเน่ยสัตว์เดรัจฉานมันไม่มันไม่แต่งงานกันไม่ใช่ ไม่มีผัวเดียวเมียเดียวฮะมันเจอใครมันชอบใครที่ไหนมันก็ไปร่วมหลับนอนกันก็เหมือนเด็กสมัยนี้มันก็ไปเจอกันที่ผับที่บาร์แล้วมันก็ไปนอนโรงแรมกันนะมันก็เนี่ยเ ข, ข้อกาเมนี่น่ละตายไปมันก็จะไปมียี่สิบเปอร์เซ็นตที่จะไปเป็นเดรัจฉานได้ คำถามข้อที่สองสิ่งที่เคยปฏิบัติมาจะสูญเสียไปหรือไม่ถ้ากลับมาสร้างใหม่จะได้หรือไม่ของบางอย่างมันเสื่อมได้ของบางอย่างเช่นบุญต่างๆที่เราทำนี่บาปต่างๆนี้ทำแล้วมันหมดได้เหมือนน้ำมันรถยนต์ที่เราเติมแล้วเราขับไปเดี๋ยวมันก็หมดได้แต่สิ่งที่ไม่หมดไม่เสื่อมก็มีสิ่งที่เป็นนิสัยนี้ไม่เสื่อมเราเคยทำอะไรเป็นนิสัยแล้วมันจะติดไปด้วย ถนัดมือขวามันก็จะถนัดมือขวาไปเรื่อยๆชอบผู้หญิงมันก็จะชอบผู้หญิงไปเรื่อยๆชอบผู้ชายมันก็จะชอบผู้ชายไปเรื่อยๆของพวกนี้มันไม่เปลี่ยนแต่เปลี่ยนได้ถ้าอยากจะเปลี่ยนถ้าชอบผู้หญิงแลว้วเบื่ออยากจะชอบผู้ชาย <laughs> ก็ลองไปหัดชอบผู้ชายอยู่ต่อไปก็อาจจะไปชอบผู้ชายก็ได้ เหมือนกินอาหารเน่ยเคยชอบกินอาหารชนิดนี้กินบ่อยๆก็เบื่อเลือกกินมันสักพักไปชอบหัดกิน อ, อาหารที่เราไม่ไม่เคยกินบ้างเดี๋ยวก็ไปชอบอาหารใหม่ได้คือของพวกนี้เปลี่ยนได้แต่ถ้ามันไม่เปลี่ยนมันก็ยังมันก็จะเป็นอย่างนั้นไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราเห็นว่าเราอยากจะเปลี่ยนเราก็เปลี่ยนได้แต่เวลาเปลี่ยนมันก็เหนื่อยหน่อยเพราะมันต้องบังคับต้องฝืนเคยใช้มือขวาแล้วต้องมาใช้มือซ้ายนี่มันเหนื่อยหน่อยต้องบังคับต้องหัด มันถึงจะใช้ได้เหมือนกับทำบาปกับทำบุญก็แบบเดียวกันชอบทำบาปถ้าอยากจะเลิกทำบาปมันก็ยากแต่ก็ไม่สามไม่สุดวิสัยแต่ต้องฝืนทุกครั้งที่จะทำบาปทุกครั้งที่จะทำผิดข้อกาเมก็ไม่ทำอย่างเงี้ยฝืนไปเรื่อยๆต่อไปมันก็เลิกได้คำถามจากคุณเศรษกราบนรรมส ก, การผมได้นั่งสมาธิสักพักหนึ่งแล้วแต่ไม่สงบแต่ผมรู้ตัวเอง รู้สึกตัวเช่นเวลากโกรธผมพิจารณากโกรธใช่สมาธิใช่ไหมครับไม่ใช่แล้วถ้าพิจารณาก็เรียกว่าปัญญาสมาธินี้คือนิ่งอย่างเดียวไม่คิดถึงเรียกว่าเป็นสมาธิถ้าคิดนี้จะเป็นปัญญาก็ได้เป็นกิเลสก็ได้แล้วแต่คิดไปในทางไหนคิดถ้าปล่อยวางได้คิดหยุดความทุกข์ได้ก็เป็นปัญญาคิดแล้วฟุ้งซ่านขึ้นมาหยุดไม่ได้ก็เป็นกิเลส คำถามจากคุณเพนต้องมีสีลห้าครบเท่านั้นก็พอใช่ไหมคะที่ไม่ต้องตกอบายไม่ต้องบรรลุโสดาบันก็ได้ได้แต่เราแน่ใจหรือเราจะรักษาได้ตลอดเวลาเวลาธรรมดาจะรักษาได้เกิดเวลาอดอยากขาดแคลนขึ้นมานี้จะทำยังไงขิวข้าวไม่มีข้าวกินนี่ต้องไปขโมยข้าวเขามากินหรือเปล่าหรือมีลูกลูกมันไม่มีนมกินนี่ต้องหานมให้ลูกกินนี่ ตอนที่เราอยู่แบบปกติธรรมดามันก็รักษาได้ถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรที่มาบีบคั้นเราแต่ถ้าเวลาเจอเหตุการณ์ที่บีบคั้นนี่เราจะทำได้หรือเปล่าถ้าเป็นพระโสดาบันนี้ท่านทำได้ท่านยอมตายพอนท่านรู้ว่าเกิดมาแล้วต้องตาย แล้วร่างกายก็ไม่ใช่ท่านท่านก็เลยไม่ไม่แยแสกับการเป็นความตายของร่างกายได้แต่ถ้าเรายังไม่เป็นโสดาบันเราก็ยังจะคิดว่าร่างกายเป็นเราเป็นตัวเราของเราลูกเป็นลูกของเราถ้าเกิดมันจะอดตายเราก็ทนไม่ได้เราก็ถ้าต้องขโมยเราก็ต้องขโมยถ้าต้องฆ่าเราก็ต้องฆ่ากันอันนั้นอย่างการพูดที่ว่าตอนนี้แค่รักษาสี่ห้าได้ก็ไม่ตกระ บ, บายใช่แต่ทาได้หรือเปล่า เพราะว่าชีวิตของเรามันมีขึ้นๆลงๆมีช่วงที่ดีมีช่วงที่ไม่ดีช่วงที่ดีก็อาจจะรักษาได้อย่างสบายง่ายได้แต่ช่วงที่ไม่ดีเนี่ยจะรักษาได้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องต้องดูต่อไปหรือไปทดสอบดูก็ได้ลองไปอดข้าวดูสักพักดูแล้วดูสิว่ายอมอดตายได้หรือเปล่าหรือทนไม่ไหวจะต้องไปขโมยข้าวของก็ามากิน คุณเพนถามต่อนะคะแล้วหนทางบรรลุโสดาบันแล้วเจ้าคะเป็นหญิงเป็นคารวาส ท, ทาอย่างไรเจ้าคะก็ต้องเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นเพียงดินน้ำลมไฟเป็นคนรับใช้เราเราไปจ้างเขามาทำงานเราเป็นนายเราคือใจเราเป็นผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆเราจ้างเขามาแล้วเดี๋ยวเขาก็ต้องลาออกจากงานไปเพราะเดี๋ยวเขาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย ก็ปล่อยเขาแก่เขาเจ็บขขาตายไปเราไม่ไปไปเสียดายไม่ไปรักไม่หวงไปมีความหนงไปคิดว่าเราเป็นมันเลยเราไปคิดว่าเป็นร่างกายเราก็เลยไม่ยอมเสียไม่ยอมไม่มันแก่ไม่ยอมไม่มันเจ็บไม่ยอมไม่มันตายกันเอาคําถามสุดท้ายแล้วหมดหรือยังมีค่ะมีมีสองคำถามนะค ะ, ะจากคุณศิวกรกรามนมัสการพระอาจารย์ครับ ตอนนี้ผมกำลังลังเลระหว่างไปบวดวัดป่ากลับไปสร้างบ้านแบบกุฏิเล็กๆในป่าเพื่อปฏิบัติจริงจังแล้วเวลาสงสัยอะไรค่อยเปิดอินเทอร์เน็ตถามครูบาอาจารย์แทนแบบไหนดีกว่ากันครับ อ, อ๋อไปบวดดีกว่าแต่ต้องไปบวดกับวัดที่มีภาพดีเป็นครูบาอาจารย์เพราะว่าถ้าเราสอนตัวเราเองนี้มันกิเลสทั้งนั้น่ะมันก็จะทาให้เราหลงทางได้ ควรจะต้องไปอยู่กับครูบาอาจารย์ที่เป็นพระสุปฏิปันโนถ้าบวชแล้วต้องไปหาวัดที่เป็นวัดสุปฏิปันโนมีครูบาอาจารย์ที่รู้ธรรมสอนธรรมถ้าเราอยู่เองนี่ไม่พอสอนตัวเองไม่ได้หรอกกิเลสมันจะเข้าข้างตัวเองมันจะหลอกตัวเองหมดคำถามค่ะโอเคก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา